นมาสการพระอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าที่ได้มีโอกาสมาบวชที่วัดถรำวัฒนมงคลจังหวัดระยองพวกเองก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มาร่วมทําบุญได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญโดย การทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาใช้สภาพอุปกรณ์ของพระธรรมเช่นนี้มาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพระคุณเจ้าบ้างทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในภายภาคหน้า ผมมาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านก็เมตตาเปิดโอกาสให้ผมได้มาทำบุญที่นี่อยู่เรื่อยๆมาทํำพัฒนมงคลทีไรก็สนุกทุกทีไม่รู้สึกเหนื่อยตั้งแตทราบข่าวว่าท่านเชิญมาเรารู้สึกว่าดีใจภูมิใจ สนุกแ ต, แต่ยังไม่ได้มาแล้วเตรียมการไม่นานแล้วก็ได้มาพูดคุยกับถวายในเชิงถวายความรู้กับคุณเจ้าก็ยิ่งมีความาปลาบปลื้มใจวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของชีวิตสักหน่อยเรื่องเสียศูนย์ขอายเริ่มป็ะผิดละ ไอ้สองคำที่มันงงนะศู์เสียแต่ไม่เสียศูญชื่อมันโดนมากเลยนะแต่บางทีอาจจะอาจจะพูดคาว่าเสียศูนย์ล่วงหน้ า, าก่อนก็นได้นะก็จะพูดได้สมควรเก่เวลาโดยปกติแล้วการบวชเนี่ย เรื่องการบวชนิดหนึ่งในความรู้สึกของผมผู้ที่ไม่มีโอกาสได้บวชแต่อยากจะบวช <c oughs> ก็ดูพระประโยชน์แล้วคงจะรู้ว่าทำไมผมจึงพลาดโอกาสนี้ไป <c oughs> แต่ก็ยังได้มีโอกาสที่ว่าได้ศึกษาธรรมะมาบ้างแต่จังหวะที่พลาดโอกาสนั้นเป็นจังหวะที่ เป็นหัวเรียวหัวต่อของชีวิตอะไรก็ได้บางคนพลาดแล้วกลับมาบวชได้เพราะร่างกายปกติแต่พอผมพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีโอกาสจะได้ผมพลาดเหลืองมไม่มีสิทธิ์แล้วตามธรรมวินัยแล้วผู้ที่มีร่างกายพิการเนี่ย เขาแม่อนุญาตให้บวชนะใจคิดอยากจะบวชแต่ก็พลาดโอกาสบวชไม่ได้ขณะผมนอนพิการอยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมใจก็อยากจะบวชอยู่นั่นแหละอยากจะบวชอยากจะเป็นพระอยากจะใช้รูปแบบของพระเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ บางทีก็ฝันว่าเราเป็นพระบางทีเราก็ใช้ชีวิตแบบเป็นพระอยู่ที่บ้านแต่พอเริ่มปฏิบัติทําไปแล้วเนี่ยสักเดือนเดียวเนี่ยเพียงแค่เดือนเดียวนะเรามีความรู้สึกว่าเอ้านี่เราบวชแล้วนี่พระเจ้า ถาได้ไหมครับว่าผมบวชอะไรอ๋อนมโมทนันทะบวชใจครับใจมันบวชแล้วเนี่ยมองเห็นสภาพร่างกายที่พิการไม่มีสีที่ผมผ้าเหลืองแล้วก็ไม่เป็นไรเลยเรื่องของร่างกายกับเรื่องของจิตใจเนี่ยมันต่างกันนะพระกุณเจ้าในมองเห็นว่าการบวชบวชภายนอก โกนผมผมเหลืองโกนคิว้วก็คือการบวชภายนอกตามสมมุติตามประเพณีแต่บวชข้างในเนี่ยบวชจิตบวชใจเนี่ยไม่มีพระเหลืองห่มบวช ด, ด้วยพระธรรมพระธรรมให้บวชบวชอยู่ข้างในไม่มีโอกาสได้เป็นพระภายนอก แต่ก็เปิดโอกาสเท่าได้เป็นพระภายในพระภายในคือจิตใจที่สะอาดสว่างสงบ <Yeah. S 1> ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านมีปกติมีสติอยู่อันนี้เป็นพระภายใน <Okay. S 1> แล้วคิดว่าพระภายในเนี่ย มันสามารถดับทุกข์ได้แก้ปัญหาชีวิตได้แต่พระภายนอกไม่แน่นะบางทีคนผมผมเหลืองก็ยังไปทุกข์อยู่ก็มีใช่ไหมข้างนอกดูสงบแต่ข้างในอาจจะพุ้งซ่านก็ได้นะก็เลยเรื่องของความอยากบวชเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดละเรารู้แล้ววิธีการบวชที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึง เนการเริ่มต้นพูดคุยให้ไงคิดกับพระคุณเจ้าว่าพระคุณเจ้ามีโอกาสได้มาบวชก็ถือเป็นโชคดีอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วแต่นั่นเป็นเพียงแค่การบวชภายนอกตามธรรมเนียมตามสมมุติเท่านั้นยังไม่ได้เป็นพระที่แท้จริงจนกว่าพระคุณเจ้าจะบวชจิตบวชใจบวชข้างในคือบวช ด, ด้วยสติ ด้วยธรรมวินัยคลุ้มครองใจให้เป็นปกติสะอาดสว่างสงบได้เมื่อไหร่แล้วก็พระเจ้าจะบวชทั้งภายนอกและก็ภายในทั้งบวชกายบวชใจเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยการบวชก็คือการเปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือได้เปลี่ยนชีวิตใหม่จากผู้คลองเรือนมาเป็นบนรรพชิตผู้ไม่มีเรือนตอนนี้พระคุณเจ้ายัางไม่มีเรือนแล้วนะมีแต่วัดมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นพ่อแล้วก็พระพี่เลี้ยงก็คือเป็นพี่ และก็อยู่ในสภาพที่อยู่ในธรรมวินัยซึ่งการเปลี่ยนชีวิตใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ดีมากเพศของบรณชิตเนี่ ย, ยก็จะเป็นอุดมภาพเพศที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีเพศไหนที่จะสมบูรณ์เท่าบัณฑิตอีกแล้วพเพราะเพศบรณชิตนี่สามารถทําที่สุดใงกองทุกได้สะดวกกว่าชีวิตหมดปัญหาได้ง่ายกว่าเพศอื่น หมดภาระ <c oughs> มีแต่เรื่องของการทำกุศลฝ่ายเดียวไม่มีเรื่องของการทำบาปอากุศลเลย <c oughs> มีแต่การทำบุญ <c oughs> ทำกุศลนั่นเดียวเท่านั้นบาปอกุศลนี่มันไม่ใช่เพศของบรรพชิตน่าเป็นการละเว้นความชั่วที่เป็นบาปทั้งปวง <c oughs> มาทำแต่บุญกุศล ก็คือความดีนี่คือหน้าที่ของผู้บวชหน้ผมจะสรุปแล้วก็การบวชก็คือการมารู้จักตัวเองนั่นเองคือการมารู้จักตัวเองอันนี้ไม่มีในตำลานะแต่เป็นความรู้สึกของผมว่าคือการมารู้จักตัวเองนะเป็นการเปลี่ยนละ รู้จักตัวเองเพราะว่าเรามีโอกาสได้ดูตัวเองถ้าเราจะรู้จักสิ่งไหนเราต้องดูสิ่งนั้นถ้าเราจะรู้จักตัวเองก็ต้องดูตัวเองดูได้สติเพราะว่าเวลาการดาเนินชีวิตในเพศบรณชิตเนี่ยเราอยู่ในธรรมวินัยเนี่ยเป็นการฝึกให้เราดูตัวเองล้วนๆเลยเพราะว่ามีการสำรวมสังวร ในทุกอรียบ ท, ทุกก้าวย่างของการดาเนินชีวิตจะนุ่งสบงทรงจีวรเปิดบาทบินทบาทฉันอาพระตาหารจะดื่มน้ำจะสงน้ำพัฒนาวัดทำความสะอาดกวา ด, อวาดรอบเจดีปฏิบัติอุปจารทุกอย่างคือการกลับมาดูตัวเองท่านั้นแหละ Yeah. ถ้าดูตัวเองถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะหมดปัญหาชีวิตคนที่มีความทุกข์มีปัญหาเพราะว่าไม่รู้จักตัวเองทั้งนั้นเลยถ้าเรากำลังเรียนหนังสืออยู่หรือทำงานอยู่เราไม่เคยได้ดูตัวเองเลยถูกไหมพระคุณเจ้า เราไม่เคยดูตัวเองเลยดูแต่สิ่งภายนอกต้องเรียนหนังสือต้องไปตามเวลาดูแต่นาฬิกาดูโทรศัพท์มือถือดูเพื่อนคนนู้นดูงานตรงนี้เราไม่เคยกลับมาดูตัวเองแต่การบวชเนี่ยเราได้ดูตัวเองได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นมีพระคุณเจ้าจากภาคใต้มาถามผมว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร ผมก็ตอบไปสั้นๆเมื่อส่้าถามสั้นๆก็ตอบส่้นๆว่าเราต้องมารู้จักตัวเองตามความเป็นจริงจึงจะพ้นทุกข์ได้เพียงแค่นี้ท่านได้คำตอบเลยนะท่านกลับไปฝึกดูตัวเองด้วยสติ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เป็นการสอนเป็นการถวายถวายแง่คิดหรือประสบการณ์บางอย่าง บางทีท่านอาจจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องสูญเสียและไม่เสียสูญและใจไม่เสียสูญเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของชีวิตและทุกชีวิตต้องเจอกับสภาพเช่นนี้ด้วยคือสูญเสียแต่จะไม่เสียสูญในด้านเนี่ยมันต้องไม่มีวิธีต้องมีวิธีการฝึก การสูญเสียเป็นเรื่องของภายนอกแต่การเสียสูญเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งอยู่ภายในสองอันแยกกันนะถ้าใจสูญเสียแล้วก็ก็หมายถึงตาย <c oughs> มีไหมพระเจ้ามีใจสูญเสียมะ <c oughs> หรือสูญเสียให้กิเลสไปเรียบร้อยแล้ว ยังมีใจอยู่การสูญเสียเรื่องสิ่งภายนอกเพราะวเป็นเรื่องธรรมดานะการสูญเสียเนี่ยไม่มีใครเลยที่เกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยไม่เคยสูญเสียแลวหัวข้อวันนี้มันตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากเลยเรามองไปรอบตัวเอามองที่ต่างประเทศตอนนี้มีการสูญเสียเกือบทั้งนั้นเลย ธรณีพิบัติแผ่นดินไหวน้ำท่วมเกิดสึนามิหลายประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วไวไวเนี่ยเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยก็ที่พมา่า <c oughs> ที่เมืองไทยก็มีก็มีการสูญเสียเหมือนกัน มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าว่าแต่นอกประเทศเลยแม้แต่ประเทศเราก็เคยเกิดสึนามิแล้วสิ่งที่เราสูญเสียไป น, นั้นอาจจะเป็นญาติของเราก็ได้แล้วคนที่เรารักแล้วคนที่ใกล้ตัวเราขึ้นมาไหนมีใครไม่เคยสูญเสียคนที่เราเคยรักบ้างญาตผพี่น้องปู่ย่าตายายท้ากระจักถ้ากระอนที่ทสูญเสีย บรรพบุรุษเราไปแม้แต่ตัวเราก็เถอะพระคุณเจ้าเรามีรูปนามขันห้ากายใจมีไว้เพื่อจะสูญเสียทั้งนั้นแหละเตรียมใจไว้เลยอย่งครับมีไว้เพื่อจะสูญเสียนะเนี่ยเรามีสิ่งไหนเราก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นไม่มีอะไรงคงทนถาวรคนชื่อถาวร ยังต้องสูญเสียคำว่าถาวรแล้วทั้งตัวก็ต้องลมหายตายจากมีไหมชื่อถาวรที่อยู่ถาวรจริงๆไปหลายหลายถาวรแล้วแล้วหรือถาวรหรือชื่อในคงเนี่ยมันยังคงอยู่ได้ไหม <c oughs> ก็ไม่เหลือสักคงหนึ่งเราเองก็จะต้องสูญเสียเหมือนกันหลีเกเลี่ยงไม่พ้นหรอก นมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการสูญเสียมองไปเรื่องธรรมดาซะใจเราก็จะไม่เสียศูญทำไมใจเราจรึงเสียศูญเพราะว่าใจเราเนี่ยยังไม่เข้มแข็งยังไม่ตั้งมั่น เมื่อจิตไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตใจมันก็จะพลอยไหลไปกับสิ่งที่เราสูญเสียไปนะเวลาเราเสียสิ่งที่เรารัก พ, พลาดลาสิ่งที่เรารักใจเราก็พลอยจะเศร้าหมองการเศร้าหมองหรือเป็นทุกข์นั่นแหละคือเรียกว่าเสียสูญละเสียความเป็นปกติ ไหลไปตามอารมณ์ที่สูญเสียไปใจเสียใจเสียนี่ซ่อมยากนะคุณเจ้าเคยใจหายไหมใจหายนี่เราต้องหาเองนะที่ไหนไม่รับแจ้งความใจหาย อะไรหายรับแจ้งความได้แต่ใจหายนี่ไม่รับนะต้องหาเอง <laughs> ใจที่เป็นผิดปกตินั่นแหละที่ไหลไปกับอารมณ์ที่สูญเสียนั่นแหละคือใจที่เสียสูญละเสียความตั้งมั่น <laughs> จิตไม่ตั้งมั่นเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะไหลไปกับอารมณ์เนี <laughs> ย่ยสำคัญอยู่ที่จิตใจเนี่ย สิีผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็พยายามดึงมาที่จิตใจใชมากกว่าเพราะเรื่องจิตใจในรเรื่องของความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ใจไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยอยู่ที่จิตใจเพราะฉะเรื่องจิตใจในรเรื่องที่น่าพูดน่าดูน่าศึกษาแล้วก็น่าที่จะเรียนรู้เอาชนะให้ได้ด้วยอัชนะใจเราเองชนะคนอื่นมื่นร้อยแสนครั้งสู้เอาชนะใจตัวเองครั้งเดียวไม่ได้ หมดปัญหาเลยเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นพอเจออารมณ์ที่สูญเสียพับจิตมันก็กระเทือนมันก็หวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นก็มีการถ้าคนทนไม่ได้ก็ร้องไห้หรือเกืบฆ่าตัวตายไปโรคจิตโรคประสาทเพราะใจไม่ตั้งมั่นแล้วยิ่งชายชาติทหารเนี่ยถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ย มันถือว่าล้มละลายเลยก็ได้ชายชายทหารต้องเลิกที่จิตใ จ, จต้องแข็งแกร่งกล้าหาญเนี่ยต้องตั้งมั่น <S <S 1> <S 1> <S 1> ถึงจะเป็นทหารเป็นตำรวจที่แท้จริงทำไมจิต จ, จริงไม่ตั้งมั่นเพราะว่าอารมณ์แล้วก็ความคิดความคิดของเราเนั่นแหละทำให้ใจเราไม่ตั้งมั่นความคิดมันเกิดที่จิตเห็นเวลาเราเกิดความสูญเสียอะไรสักอย่างเนี่ยใจเราจะเป็นไง รู้สึกว่าเศร้าหมองเลยใจเราเศร้าหมองคิดปรุงแต่งวิตกกังวลวิตกกังวลเลยบอกทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยทำไมต้องเป็นเราเคยคิดไหเสียาดายแล้วมันจะเกิดการปรุงแต่งมากมายทำให้เราเสียาดายมากยิ่งขึ้นอีกเพราะใจมันเสียสูญไปแล้วมันก็จะปรุงแต่ง สุดท้ายคือเราจะต้องเป็นทุกเป็นปัญหานอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทสุขภาพกายก็พลอยเสียไปด้วยเพราะความคิดมันมาปรุงแต่งใจไม่ตั้งมั่นเพราะความคิดงแต่คิดพี่ักกังวลแต่เรื่องความคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้ไม่มีใครสามารถห้ามความคิดได้ ห้ามน้ำแม่ไ ห, หลห้ามได้แต่ห้ามความคิดห้ามจิตใจแม่คิดเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกเพราะจิตใจเขาเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเอาชนะได้ไม่ต้องห้ามความคิดแต่สามารถเอาชนะความคิดได้คนเราชอบคิด เคยชินอยู่กับความคิดเรียกเป็นคนช่างคิดจะเดินก็คิดจะนั่งก็คิดจะนอนก็คิดเวลานอนคิดไหมเวลาหลับเนี่ยก็ฝันกลางวันเนี่ยเราคิดแต่างคืนเราคิดแต่เราเรียกว่าฝันฝันตอนหลับก็คือเราคิดตอนหลับความคิดไม่อยู่ไ อตอนนี้พระคุณเจ้านั่งอยู่เนี่ยเราบางรูปบางท่านบางองค์ก็ไม่ได้อยู่กับที่วัดท่มพระธามาางคลหรอก <c oughs> กายอยู่นี่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ถึงอนาคตโอ้นี่เราศึกไปแล้วจะทำอะไรดีเนี่ยจะเริ่มทำอะไรก่อนโครงการมีล่วงหน้าแล้ว <c oughs> ใจไม่อยู่ที่นี่แล้วนะกาย นั่งอยู่ที่ถ้ำวัฒนมงคลแต่ใจอยู่ที่บ้านอยู่ที่งานอยู่ที่คนนู้นคนนี้บางคนอยู่ที่กรดเนี่ยใกล้ๆวัดอยู่ที่กรดเนี่ยไม่รู้อะไรไว้ในกรดบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมดมันจะมาขึ้นจิตปุ้งต้านแล้วกลับมากลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าธรรมดาจิตก็ต้องคิดอย่างนี้แหละคิดปรุงแต่ง ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจะไหลไปอดีตบ้างอนาคตบ้างกังวลถึงอนาคตเสียดายอดีตเพราะเราเชื่อความคิดไม่ได้พักไม่ได้ฟอนนะเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีคนเขาไปสำรวจดูแล้วก็ลองทดลองดูนะคนเราเนี่ยคิดเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ย เก้าเกหมื่นครั้งคิด9ก0 0 0ครั้งก็มีคนเข้าไปรวบรวมข้อมูลมานะเรน่้นความคิดเมันไม่หยุดหรอกเวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็ไหลเข้าไปในความคิดเข้าอยู่ในความคิดเลยเราเป็นความคิดความคิดเป็นเราเป็นเจ้าของความคิดเข้าอยู่ในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งบาทีเดินคิดก็ตั้ง พูดออกมาเป็นคาพูดเคยไหมเราเดินขึ้นมาแล้วเดินปั๊บเนี่ยมันคิดแล้วก็พูดเป็นคาพูดกันไปบางคนนั่งบนพรึนปั๊มปืนมเหมือนคนบ้าน่ยความคิดมันทําให้เราต้องพูดความคิดทําให้คนเป็นโรคจิตโรคประสาทคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทเข้าโรงพยาบาล น, นั้นเพราะว่าจิตไม่เป็นระบบความคิดคิดปรุงแต่งมากบางคนเรื่องฆ่าตัวตายคนเราฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่ มีใครบังคับให้เราฆ่าตัวตายใจเรานั่นแหละความคิดตอนนั่นแหละบังคับให้เราไปฆ่าตัวตายเห็นไหมไอ้ความคิดเดี๋ยวทำให้จิตเราเสียศูนย์นะเวลาเสียศูนย์เสียไปเนี่ยพราะเกิดความคิดปรุงแต่งใจเริ่มเสียศูนย์เลยฟุ้งซ่านตั้งหลักไม่ได้ไม่มีศูนย์ตั้งหลักไม่ได้จะว่าไว้แล้วเนี่ยความคิดนี่มันร้ายกว่าเสือ แต่ที่ท่านประธนงคนเนี่ยงคนบอกว่ายุงร้ายกว่าเสือเพราะเสือยังไม่มีเลยนะแต่ยุงเนี่ยมากัดเอากัดเอาโดนไห้พระเจา้าว่ายุงร้ายกว่าเสือความคิดเนี่ยมันร้ายกว่าเสือความคิดที่เรามันกัดจิตกัดใจเราเนี่ยทุกวันทุกคืนไอ้ที่เรานอนไม่หลับนะเพราะความคิดมันกัด ที่ใจเราหน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะความคิดมันกัดเอามันกัดเราตลอด24ชั่วโมงเลยเสือนี่ยังไม่เคยกัดเราเลยยัง ม, มีเสือมากัดเราเลยนะแต่ความคิดกัดเราเนี่ยกัดเราจนกระงเราไปตายก็มีนะความคิดอทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรามีปัญหาเพราะความคิดแต่ถ้าเรามีสติมีสติมีสมาธิ เราไปเห็นความคิดได้บ่แล้วก็สติเนี่ยจะช่วยตัดกระแสะความคิดตัดกระแสะความคิดคือความคิดไม่เกิดขึ้นขาดช่วงไปช่วงขณะหนึ่งขณะที่สติตัดกระแสะความคิดนั้นจิตมันจะว่างจะเบาจะมีความสงบสุขผ่องใสตื่นเรียกจิตมันตื่น กระแสความคิดเนี่ยมันขาดเพราะสติมันตัดทำให้จิตมันตื่นตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นตัวกระตือหรือล้อนแล้วจิตก็จะเบิกบานผ่องใสเรียกว่ามีความสุขก็ได้สักพักหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาอีกแล้วสติม่เห็นความคิดมันก็ตัดกระแสความคิดขาดตอนนั้นจิตก็ตื่นมาชั่วขณะหนึ่ง ตื่นรู้เดี๋ยวมันก็จะคิดอีกสติตัดบ่อยๆเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะห่างหางห่างมันจะไม่คิดไวคิดห่างสมาธิเนี่จะเขาเรียกว่าจะนานกว่าเดิมเรียกคนสมาธิสั้นเพราะสติสั้นเพราะความคิดมันเยอะเข้าใจดไหมคนนี้มมนนสมาธิสั้นเพราะความคิดเนี่ยมันมันเข้ามาต่อกันได้ไวไวๆสติขาดสมาธิ น้อยแต่ถ้าฝึกสติบ่อยๆมีสมาธิมีสติเนี่ยก็ทำให้ความคิดมันห่างออกไปจิตปกติเป็นกลางได้ยาวนานขึ้นใช่เาเรียกสติเนี่ยมันตัดกระแสะความคิดได้จิตจะมีความผ่องใสเบิกบานไม่มีความทุกข์มีความสุขก็เพราะจิตที่มันไม่ปรุงแต่งด้วยสติและตรงนี้มันก็จะไม่เสียสูญละ แม้แต่เราสูญเสียจิตอาจจะคิดลรุงแต่งไปเรื่องความทุกข์ถ้าเราสติมาทันเนี่ยไอ้ความคิดปรุแต่งก็จะขาดไปก็ตั้งสูน์ได้ทุกขณะเพราะนั้นสติเนี่ยมันควรจะฝึกเราควรจะฝึกเอาให้มากมากเมือ่อฝึกสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเป็นของแถมนั้นเรื่องการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทาก็ได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ย จะเกิดสมาธิมาเองแต่ทำได้นะไม่เป็นไรนะทำสติก็ทำให้เกิดสมาธิแต่ทำสมาธิอาจจะไม่เกิดสติก็ได้เห็นนั่งทำสมาธิหลับไหลหัวตกหัวโยกหัวคลอนนั่นหรือสมาธินั่นสมาธิที่ขาดสติแต่ถ้ามีสติปั๊บจิตมันตั้งมั่นนั่นแหละคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติสามารถทำให้เราเกิดปัญญาได้ มันน่าฝึกนะน่าฝึกเพราะสิ่งเหล่านี้นะ่ะอยู่ในเนื้อในตัวเราไม่มีใครสามารถให้สติให้สมาธิเราได้นอกจากเราจะค้นหาในตัวเราซึ่งมีอยู่แล้วสติสมาธิมีอยู่แล้วในตัวเราแต่ยังไม่พัฒนาเราจึงสามารถพัฒนาสติสมาธิได้เพราะทำจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันพัฒนาขึ้น มันง่ายกว่าการที่เราต้องไปค้นหาไปสร้างเอาใหม่ไปทำเอาใหม่น่าฝึกพพุทธเจ้าเคยเคยเห็นเห็นเขาฝึกเสือไหมเคยเคยไปดูเขาฝึกเสือไหมผมผมเคยได้ไปดูนะชอบมากเลยเนี่ยที่สวนเสือศรีราชาเนี่ย ไม่ใช่เสือกาบด่าพระกุศะเสือในกลงเลยตัวใหญ่ใหญ่กว่าคนใหญ่กว่าแมวด้วยอ่ะ ต, ตัวใหญ่กว่าคนสองเท่าสามเท่า أ, ขอถามหน่อยว่าฝึกเสือก็ฝึกแมวไหนะยากกว่ากันฝึกแมวยากกว่าแมวเนี่ยเวลาเราดึงหางมันก็จะไปทางหัวพอดึงหัวมันก็จะถอยหลัง พอรูปหลังมันก็ท้องหย่อนลงพอลูปท่อมันก็โก่งตัวขึ้นจับมันโยนเพื่อจะหัวลงมันก็หมุนเอาขาลงมันดื้อมากแมวเนี่ยถ้าใครฝึกไม่ได้ก็บอกว่าดื้อเหมือนแมวผมไปดูเขาฝึกเสือผมชอบมากเขาฝึกเสือให้เขานั่งนั่งยกสองขาขึ้นข้างหน้าแล้วก็นั่งเรียงเป็นแถวอย่างเรียบร้อยฝึกเสือเดิน ต่อกันเป็นแถวเสือก็โดดอย่างเรียบร้อยฝึกเสือให้กระโดดบวงไฟก็ทำได้แล้วฝึกเสือให้เต้นลํากับคนฝึกอยาคิดดูอเอาขาหน้าพาดหัวไหล่ พ, า, พ า, ขาข้างหน้ า, า, าแล้วก็หัวเสืออยู่ตรงเนี้ยหน้าปากดเดียวกืนครับเพราะตัวมันใหญ่คนสองเท่า ตัวเัลเลอเลยนะแต่เขาสามารถฝึกเสือเดินตามไปเต้นลำเป็นจังหวะช้าๆได้เอ อ, เ อ, อพระคุณเจ้าว่าเสือเก่งหรือคนฝึกเก่งผมไม่เคยชื่นชมว่าเสือนี่ฝึกง่ายเลยแต่ผมชื่นชมว่าคนฝึกเนะี่ยมีความสามารถมาก ในการฝึกเสือดุร้ายให้เชื่องแบบแมวได้แล้วผมก็ตัวอกาศไปถามเขาว่าฝึกเสือนี่ยากไหมเขาบอกเขาไม่ยากหรอกเราต้องรู้จักธรรมชาติของเสือก่อนว่าเสือชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบอยู่ที่ไหนรู้จักธรรมชาติของเขาก่อนจะไปฝึกเขาได้ ไล่อันก็คือจะต้องคลุกคลีกับเขาให้มันเป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่าทําให้เสือโกรธอย่าทาให้เสือหิวแล้วเสือก็จะเชื่องแล้วก็จะฝึกง่ายแล้วตอนสุดท้ายก็ถามว่าแล้วถามจริงกันว่าระหว่างฝึกเสือเนี่ยกับฝึกใจเราเนี่ยอันไหนฝึกยากกว่ากัน พูดเจ้ามีคำตอบไหมครับโอ้บอกคนฝึกเสืออะไรทำหน้าเย่ย่าฝึกใจครับเห็นปะฝึกเสือง่ายกว่าเพราะฉะน่้นความคิดเนี่ยมันล้ายกว่าเสือแต่ถึงไงก็ตามใจแม้จะฝึกยากกว่าเสือแต่เราก็สามารถฝึกใจเราได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องฝึกได้มนุษย์ีต้องฝึกได้ เพราะมนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาได้จนถึงที่สุดเลยคือหมดปัญหาชีวิตเสือเนี่ยฝึกมันเท่าไรก็ตามเนี่ยมันไม่ทางหมดปัญหาแล้วมันก็ไม่ทิ้งสัญญาณไม่ทิ้งสัญญาณกินนอนเสพกรามเสพกรามกลัวภยัยนั่นคือสัญญาณของสัตว์มนุษย์เราก็มีนะมีสัญญาณการกินการนอนการเสพกรามการกลัวภัยเหมือนกัน เสมอกับสัตว์เลยแต่เราเหนือสูงกว่าสัตว์ตรงที่ว่าเรามีศีลมีธรรมประนี้ทางหากที่ว่ายกระดับจิตใจให้เหนือจากสัตว์ในเรืนเพราะนั้นใจคนจึงฝึกได้อย่าคิดว่าเราฝึกไม่ได้ทุกคนฝึกได้ฝึกด้วยตัวของเราเองด้วยไม่ต้องมีใครมาฝึกเราคนที่ช่วยฝึกเรานั้นเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงเป็นแค่ครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่าง เป็นบุคคลนี้ให้กำลังใจเป็นคนชี้แนวทางแต่ต้องฝึกตัวเราเองเราอยากจะฝึกใจได้นั้นเราต้องรู้จักธรรมชาติของใจเราใจเราเป็นอย่างไรใจเราชอบคิดใช่ไมเนียอ๋อธรรมชาติของใจนี่มันชอบคิดต้องรู้มันนะอย่าไปห้ามมันนะแต่เข้าใจมันเอาชนะมันโดยที่รู้ทันแล้วก็ไม่ทาตาม แล้วก็ต้องคลุกคลีกับใจบ่อยๆคือมีสติเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นทำความเข้าใจกับมันบ่อยๆแล้วใจมันจะเชื่องจะฝึกง่ายใช่ไหมต้องรู้จักธรรมชาติของจิตจิตกับใจก็อันเดียวกันนะเขาเรียกว่าจิตใจจิตใจรู้จักธรรมชาติของจิตแล้วก็เฝ้าดูจิตบ่อยๆด้วยสติสัมปชัญญะ เราก็จะสามารถฝึกใจได้เครื่องมือในการฝึกก็มีมีความเพียรมีสติมีความรู้สึกตัวเครื่องมือนี้หามาจากไหนพระอาจารย์คงฤทธิ์สงสิทธิ์ให้หรือเปล่าพระอาจารย์สงฤิทธิ์ไม่ได้ให้เราเลยสติความเพียรความรู้สึกตัวเนี่ยเราต้อง ใช้ของเราเองโดยการพัฒนาจิตรเราขึ้นมาฝึกได้และฝึกได้แล้วลยิ่งการบวชของมู้คุณเจ้าเนี่ยมันเกื้อกูลต่ อ, อการฝึกใจด้วยสติทั้งนั้นเลยเกือก่าการเจริญสติก็ได้การเจริญสอการภาวนาวิปัสสนากรรมฐานอันเดียวกัน การภาวนา <Yeah. S 1> คือการทําจิตให้เจริญภาวนาก็ทําจิตให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานในการรู้แจ้งพอทําจิตให้เจริญแล้วก็จะรู้แจ้งภาวนาแล้วเกิดวิปัสสนาเครื่องมือคือการฝึกสติจเจริญสตินั่นเองฝึกสติให้ตั้งมั่นให้ใจมันตั้งมั่นไม่หวนไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบไม่ไหลไปกับความคิด อันเนี้ยจิตมันก็จะไม่เสียศูย์เวลากระทบอารมณ์ใดไรก็ตามพระคุเจ้าการบวชเนี่ยช่วยมากเกื้อกูลมากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยเกื้อกูลต่อการฝึกสติได้มากใช่ั้ยพระคุเจ้าการจเจริญแต่ละก้าวเนี่ยจะเดินไปไหนก็ตามให้มีความรู้สึกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยพระอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าอ้าวไปเข้าห้องน้เปลี่ยนยาบทให้ไปอย่างมีสตินะเอาสติไปด้วย พอไปถึงห้องน้ําก็สติกลับมานี่ด้วยคุณเจ้าตอนขาไปสติไปใช่ไหมขามาสติมาตรงไหนอ่ะมาตรงแก่บันอวบบันไดหรือเปล่าไปทิ้งไม่ตรงลานการบินทบาทเนี่ยเราอกบินทบาทก็สติไปสํารวมกลับมาก็เอาสติกลับมาคือการมีสติอยู่ทุกเมื่อในการนอนการนั่งการยืนการเดิน การใช้บทย่อยก็คือการมีสติถ้ามีสติเมื่อไหร่ล้วก็เป็นการสํารวมสํารวมระวังเป็นเรื่องเดียวกันอินทรีย์ทั้งหมดตาหูจมกูกลิ้งกายใจจะพลอยสงบถ้าเรามีสติ <c oughs> มีสติเพียงข้างเดียวท่านเองสามารถสํารวมอินทรีย์ได้ทั้งหมดเลย <c oughs> นั้น <c oughs> เกื้อกูลมากในการบวชเนี่ยแล้วก็ทําวินัยเนี่ย <c oughs> เพื่อเพิ่ให้เรามีสติทั้งนั้น แต่ละก้าวแต่ละยากคือการมีสติเนี่ยคือการมารู้จักตัวเองและโดยเฉพาะบวชใหม่ๆถ้าไม่มีสติคุ้มครองใจแล้วก็ใจจะฟุง้งไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือที่นี่เดี๋ยวนี้เฉพาะหน้าคือการอยู่กับปัจจุบันถ้าขาดสติใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันจะไหลไปกับอดีตคือคิด หลายไปกับอนาคตคือคิดนั้นแต่มีสติเนี่ยอยู่กับปัจจุบันทันทีเลยสำคัญนะตัวเนี้ยเราต้องมีเอาไว้ฝึกสติเพื่ อ, อจิตมันเข้มแข็งให้มีพลังให้รู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวทุกียาบทกายอยู่ไหนใจอยู่นั่น <laughs> <laughs> กายทำอะไรใจมีสติรู้ด้วย ฝึกเอากายเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็มีใจมีใจรู้เนี่ยที่ประกอบด้วยสติเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนเป็นเครื่องอยู่ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่ไม่งั้นใจมันจะฟุง้งตรงนี้เราเริ่มเป็นพระที่แท้จริงแล้วนะพระต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันนี่คือความเป็นพระเมื่อจิตมีพลังเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันจะสามารถ เห็นความคิดที่มันปรุงแต่งรู้ทันความคิดที่ปรุงแต่งเราไม่เคยเห็นความคิดเลยทุกวันนี้เรามีแต่ทาตามความคิดหรือเข้าไปอยู่ในความคิดถูกความคิดหรอกแต่ถ้าฝึกสติเมื่อยแล้วก็เราจะเห็นความคิดและก็รู้เท่าทันความคิด ตรงนี้แะทำให้ใจเราเนี่ยสงบมีสมาธิได้ง่ายแล้วก็เห็นความคิดเพราะว่าตัวเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยความคิดนำหน้าเราไม่เคยใช้สติปัญญานาหน้าไม่เคยใช้สตินำหน้าใช้ความคิดนำหน้าใช่หไหมจึงพาชีวิตเราต้องไปทุกทุกบ้างสุขบ้างผิดพลาดอยู่เรื่อยเพราะความคิดมันนำหน้าความคิดประกอบด้วยอะไรด้วยความโลภความโกรธความหลง เขาเรียกว่าความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเรียกว่าความคิดปรุงแต่งแต่เราฝึกสติดีแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งพระกุฎเจ้าคือคิดด้วยสติคิดด้วยสติเนี่เป็นความคิดที่ดีนะจะเป็นระเบียบมากนีตราบใดที่ผู้เจ้ายังไม่มีสตินาหน้าความคิดเราก็ความคิดก็จะคิดไปตามกิเลสตามความพอใจไม่พอใจถ้ารักก็ชอบถ้าพอใจก็เอา ตกลงถ้าไม่ชอบแล้วก็แสดงว่าเราไม่รักหรือมีความโกรธนี่ขาดสติแล้งั้นทำตามความโกรธทำตามความคิดสติมาเกิดทีหลังก็จะเสียดายแต่ถ้ามีสตินำหน้าปับ๊บเราก็จับความคิดมาใช้คิดแก้ปัญหาคิดวางแผนเป็นผู้ใช้ความคิดคิดทำความดี คิดดีพูดดีทําดีก็มาจากสติดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าความคิดนําหน้าเนี่ยเท่ากับอกิเลสนําหน้าสติตามหลังเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะอดี๋ยวพระกุฎเจ้านี่ใจร้อนพระหนุ่มเนรน้อยนใจร้อนใจร้อนไหมเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์มาก็ขุนหันพันแล่น ประโกรดบ้าก็ต้องทําร้ายหรือพูดหรือด่าหรือทําร้ายร่างกายเพราะเราทาตามความคิดตามอารมณ์นเนี่ยก็ใจร้อนหุ้นหนันเปันเล่นถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยใจจะเย็นจะสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่พุ้งซ่านใจจะเย็นเมื่อใจเย็นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าใจร้อนแล้วก็อยู่ร้อนนอนทุกข์พอเรา ขาดสติแล้วทำตามใจเราแล้วเนี่ยบางทีเรานึกเสียดายนึกเสียใจเราไม่น่าทำเลยเคยไหมเราไม่น่าพูดไปเลยเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยเราไม่น่าบอกรักไปเลย <c oughs> บอกรักไปแล้วมันต้องรักเขาเท่าด้วยเลย <c oughs> เราไม่น่าว่าก็เลยเราไม่น่าทำอาการแบบนี้เลยและมาเกิดสติที่หลังมาเสียใจทีหลังเนี่ยบางทีมันแก้ปัญหาไม่ได้อย่างเมื่อเช้านีย มีญาติทำก็ดูข่าวทางทีวีมาไลา่ฟังนักร้องยอดนิยมขวัญใจวัยรุ่น <Yeah. S 1> กำลังแสดงดนตรีอยู่ <Yeah. S 1> เกิดความโกรธเอากีตา้าวฟาดลงบนเวทีกีต้าแจกกระจายเลยเพราะเกิดความโกรธแล้วขาดสติ แล้วมาแก้ไขในภาพข่าวบอกว่ามาขอโทษทำไปด้วยอารมณ์ด้วยการสติเพราะว่าดื่มสุราไปมาเสียใจที่หลังนี่ดูเดยสร้างภาพไปดีเรียบร้อยแล้วมาทำลายภาพตัวเองประจานทั่วประเทศเดี๋ยวนี้สื่อไปทั่วโลกนะใครมีความดังระดับไหนก็ประจานทั่วโลกเพราะขาดสติแล้วมาแก้ไขที่หลังเนี่ยมันไม่ได้แล้ว เห็นไหมได้ทําไปแล้วได้คิดไปแล้วได้ทําไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นตราบาปติดจิตติดใจไปเลยนึกทีไรก็เศร้าหมองทุกทีเนี่ยเพราะขาดสติทําไมจึงขาดสติก็เพราะสุลาสุลานะพระคุณเจ้าเคยคิดอยากดื่มมั้งไหมคนที่ชอบดื่มสุลาก็คิดอยากดื่มสุลา คนที่ชอบสูบบุหรี่ก็คิดอยากสูบบุหรี่สุราเป็นเครื่องมอมเมาที่ประทุษส้ายสติเป็นน้ำนรกสุราไม่เคยให้ผลดีกับคนเราเลยมีทำให้คนได้ตกตำ่ำเสียเกียรติเสียเครดิตก็พาะสุราคนฝึกสติแล้วไปดื่มสุราเนี่ยไม่เบืนออะไรมันทำลาย เขาเรียกมันเป็นของสลาของสติแล้วตาบูนเจ้าเว้นได้ก็นิมนตเว้นเลยในขณะที่ศึกออกไปแล้วก็เว้นเลยขณาบวชใช้ชีวิตอย่างไรศึกไปก็ใช้ยึดแบบนั้นคล้ายกันเดิมน้ำเมาแล้วก็บุหรี่บุหรี่นี่ถ้าบอกคนสูบบุหรี่เนี่ยไม่แก่ตาย ไปดูสภาพโรงพยาบาลเนี่ยถุงลมโป่งพองเป็นมะเร็งในปอดในทางเดินหายใจน่าสงสารผมเคยไปเยี่ยมพระคุณเจ้าเป็นถุงลมปวงพองเพราะสูบุหรี่มากผมไปเยี่ยมท่านมาสนึกตอนหลังที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วมะเร็งยินยังกระทั่งปอดเนี่ยจะไม่เหลือแล้วเป็นทุกข์มากแล้วก็มาสาภาพทุนี้ตมาไม่สูบเพื่อเดียแก้ไขไม่ได้แล้ว ไม่อยากให้พระเจ้าต้องอยู่สภาพเช่นนั้นเพราะฉนั้นไม่ต้องลดไม่ต้องไม่ต้องละนะเลิกไปเลยชายชาตินักรบมันต้องเลิกอย่าใจอ่อนกับสุลากับสิ่งเสพติดขวดสุลาขวดนิดเดียวบุหรี่ซองเดียวแล้วชายชาตินักรบก้าวข้ามไม่ได้เฉยเลยพอเดินไปก็ติดเนี่ยเจอเล่าตรงไหนก็นั่งล้อมวงกันนั่นแหละ ขวดแค่เนี้ยเราข้ามไม่ได้ปโตจะไปกันป้องกันประเทศชาติได้อย่างไรมันต้องก้าวข้ามมันไม่มีประโยชน์อของนี้นับวันจะแพงมันทําลายสุขภาพด้วยถ้ามีสติเหล่านี้เราจะเลิกได้ทันทีเลยสติถ้ามีเราเลิกสิ่งเหล่านี้ได้อพอรู้ทันในความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใช่ไหมถ้าจิตเกิดขึ้นความอยากปั๊ บ, บจิตเกิดความอยาก ถ้ากาสติจิตจะเสียสูญเลยไปเชื่อความอยากก็ทําตามความอยากก็เกิดปัญหาคุณเจ้ารู้สึกกลัวป้องไหมอยู่ที่เนี่ยกลัวไหมทุกคนต้องกลัวแต่บางทีไม่รู้ว่ากลัวอะไรความกลัวเนี่ยเอาชนะได้ถ้ามีสติ เพราะว่าความกลัวเกิดที่จิตมันคิดปรุงแต่งถ้ามีสติปับ๊บความคิดปรุงแต่งก็จะขาดความกลัวก็จะหายไปเนี่ยอย่างบรรยากาศที่วัดเนี่ยค่าลงมันมืดคลึม้มตอนเย็นบางคนก็เหงาว้าเวาคิดว่าเวคิดถึงบ้านใช่ไหมคิดถึงบ้านบางคนไม่คิดถึงบ้านแต่กลัวผี ผู้เจ้ามีกลัวผีไหมครับไหนพู้เจ้ารูปไหนไม่กลัวผียกมือขึ้นไม่กล้าแสดงว่ากลัวนะไปกลัวทำไมผีอผีไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวผีหรอกผีไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวผีแล้วถามจริงนะผู้เจ้าเคยเห็นผีไหม ผีเนี่ยมันเกิดจากความคิดนะความคิดของคนไทยมันก็ปรุงแต่งแบบผีไทยๆอะ่ะความคิดของคนฝรั่งก็ปรุงแต่งแบบผีฝรั่งอะ่ะแล้วคนไทยเนี่ยปรุงแต่งผีแบบไม่ค่อยมีระดับอะ่ะแต่งตัวก็เลิกก็ล่าไม่ไม่สง่ามันได้กล่าผีฝรั่งเลยผีไม่ค่อยมีระดับ ผีฝรั่งมีระดับนะโอ้ oh, ใส่สูตรเห็นหน้าเห็นตาผมว่าแดกุล่าเนี่ยหล่อและเทเ่ด้วยแต่ผีไทยเนี่ยไม่ดูแล้วซอมซอ่อเหลือเกินซําเหมาอ่ะขัดขัดหลุดลุย่ยแรดูที่อยู่ผีไทยอยู่ที่โส ม, สมบ้านล่างเก่าๆผีฝรั่งเนี่ยอยู่ปลาศาสทํา <c oughs> ทำไมพระคุณเจ้าไม่ปรุงแต่งเป็นผีฝรั่งบ้างละ่ะมันจะได้มีระดับอับเขาหน่อย ผีเกิดจากความคิดปรุงแต่งเรกคนที่กลัวผีมักจกะโดนผีหลอกบ่อยๆคนที่ไม่กลัวผีผีไม่กล้าหลอกก็จะไมมผีมันมาจากไหนผีมาจากความคิดปรุงแต่งของเรานั่นแหละแล้วปรุงแต่งอะไรจึงเรียกว่าผี ผีที่แท้จริงในภาษาธรรมะเขาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงตาโบหน้าเละผมยาวๆโสมอ น, นั้นเป็นแค่ผีบุคลักรที่ถาเป็นผีภายนอกซึ่งมันไม่มีหรอกแต่ผีภายในที่น่ากลัวคือผีอบายามุก เขาให้กลัวผีใาบามุก ค, คือความชั่วไล้การดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวดูการเล่นการเกียกล่้านทำการงานการครบคนชั่วเป็นมิตร <Yeah. S 1> การเที่ยวกลางคืนพวกนี้ก็เรียกผีใาบามุกซึ่งน่ากลัวกว่านะมันหลอกเราจนสิ้นเนื้อปัะดาตัวมันน่ากลัวกับผีภายนอกซึ่งเรายังไม่เคยเห็นเลย เราปรุงแต่งว่าต้องเป็นอย่างอย่างนี้เพราะเราดูหนังบ่อยๆ อ, อ่านหนังสือบ่อยๆแต่หน้ากลัวคือผีที่เกิดภายในจิตใจเราหลอกเราทั้งวันทั้งคืนผีภายนอกหลอกเฉพาะกลางคืนแต่ผีภายในเนี่ยหลอกตั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตได้วันนี้คนที่บอกไม่กลัวผีนะก็ เดี๋ยวจะอาจจะมีการทดสอบตอนค่ำๆ่ำคืนนี้เวลานอนก็ปิดกดให้เรียบร้อยนะ <c oughs> อาจจะมาทดสอบอารมณ์ว่ากลัวผีจริงหรือเปล่าเวลาถ้าเกิดอาการกลัวผีเนี่ยถ้าไม่ต้องหนีไปไหนนะอย่าเพิ่งหนีนะรูว่ามันชัดชัดว่าผีจริงหรือเปล่า <c oughs> เรากลัวอะไรต้องดูต้องให้มันชัดเจนบางทีมันหลอกลวงนะเห็นใบไม้ใบไหวโอนำผีกักมือแล้ว ลืมดูไว้ว่าใจเราหาครับปลุงแต่งเป็นผีท่านลุกขึ้นเดินจงกรมเลยถ้าท่านกลัวผีลุกเดินจงกรมเลยก้าวเดินให้รู้สึกตัวรู้ึตัวมีสติอยู่อาการก้าวเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวก้าวทีก็รู้สึกตัวก้าวทีก็มีสติรู้ตัวหรือนั่ ง, งเฉยๆเนี่ยนั่งพริกมือเล่นพลิกมือหงายรู้พลิกมือคว่ำรู้พลิกมือหงายรู้สึกคว่ำรู้สึก รู้สึกตัวเวลามือมันหงายรู้สึกตัวเวลามือมันคว่ำให้รู้ตัวในการเคลื่อนไห ว, ไวให้จิตล่าลึกรู้ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายการเดินจงกรมก็ได้การเคลื่อนไหวกายก็ได้หรือการถูนิ้วมือเล่นๆ เ, เอานิ้จี้กับนิ้วมือถู ก, กันเบาๆรู้สึกตัวเนี่ยให้รู้ตรงนี้นะผีมันจะไม่กล้าหลอกถ้าพลาดจากตรงนี้ปั๊บกลับมารู้ใหม่ ถ้าพลาดจากการรู้ตัวแล้วเนี่ยถ้ากับเราออกนอกสายตินแล้วในผีมันจะหักคอถ้ามารู้สึกตัวเนี่ยเรามีสายติล้อมรอบมีธรรมะล้อมรอบผีไม่กล้าเข้ามาเพราะอะไรเพราะขณะที่เรามีสติรู้ตัวในการเคลื่อนไหวเนี่ยติดมันไม่ได้คิดอะไรมันไม่ได้ปรุงแต่งไปในความกลัวผีเใช่ไหมจึงบอกว่า ผีไม the in so ่น่ากลัวเท่ากับความกลัวผีหรอกผีมันอยู่ข้างนอกความกลัวผีอยู่ข้างในเรามักจะชอบหนีผีข้างนอกแต่ไม่คิดจะหนีผีข้างในคือผีการปรุงแต่งเลยเราหนีผีที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ไปเจออันใหม่กเชอตัวใหม่ถ้าหนีการปรุงแต่งได้ท่านไม่ต้องลุกหนีไปไหนเลยเอาชนะ ไม่กล้าหลอกเห็นไมการอาชนะความกลัวคือการมีสติร่วยเท่าทันความคิดก็ชนะความกลัวได้ทำให้เรานอนหลับด้วยพระเจ้ารูปไหนที่นอนไม่หลับไม่ยากสวมกดมนต์ไว้พระเรียบร้อยแล้วเอากดลงนอนหงายนอนพลิกมือเล่นพลิกมือหงายหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ พิมพมือหงายก็รู้สึกตัวพิมพมือความรู้สึกตัวหรือเอามือไว้ตรงเนี้ยเคาะเบาๆแล้วก็รู้สึกเวลามือมันกระทบรู้สึกรู้เบาๆรู้เล่นๆรู้ไปจะหลับรู้เดี๋ยวหลับไปเลยเห็นไหมไม่ใช่นอนไม่หลับทําอย่างนี้ดูสิเราคิดถึงไกลก็ตามมารู้สึกตัวตรงนี้มันจะหายเราโกรธแกลก็ตามมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันก็จะหาย แล้วทำไปนานๆเนี่ยถ้าไม่เราสติปัญญามันมากขึ้นมันจะเห็นความคิดพอทำเจริญสตินานๆเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วกระดับเกิดดับเกิดดับไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนผีท <interface S 1> mm ี hmm. treasure, ่เราคิดปรุงแต่งว่ามันมีทะลุทันความคิดเมื่อแล้วก็ผีมันก็ดับไปด้วยตายความคิดดับไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอ มันมีชั่วขณะหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาเมื่อไม่คิดสิ่งนั้นก็ไม่มีเกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีเกิดปัญหาขึ้นเพราะาเราคิดใช่ไหมทุกอย่างมีขึ้นเพราะเราคิดแต่ถ้าเราไม่คิดเท่ากับสิ่งนั้นไม่มีอย่างตอนนี้พุ่์เจ้าเนี่ยนั่งฟังเนี่ยพุ่นเจ้าไม่รู้啊พุ่นเจ้ามีพ่อมีแม่<笑>ไม่รู้หรอกเพระพุ่นเจ้ามัวแตสนใจกับการฟังใช่ไหมถ้าเราคิดถึงพ่อแม่หม่แล้วก็การฟังก็จะไม่ไม่เข้าใจ มันคิดเพราะมันมีมันมีเราจึงคิดถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีสติใจเห็นนะความคิดเกิดดับไม่มีตัวตนนี่เราก็จะไม่เชื่อความคิดไม่เชื่ออารมณ์ละจิตมันก็เลยตั้งมั่นใช่ไหมเราจะสูญเสียทั้แค่ไหนก็ตามถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันสามารถตั้งจิตตั้งใจให้เราเป็นปกติได้เขาเรียกตั้งศูนย์จิตใจได้เขาเรียกว่าตั้งศูนย์ใ จ, ด, ใจด้วยสติอันนี้ไม่มีทางเสียศูนย์เลย จะเสียศูนย์จะศูนย์เสียแต่แค่ไหนก็ตามจิจะไม่เสียศูนย์จะตั้งมั่นด้วยสติคุณเจ้าฝึกได้ในชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันเนี่ยฝึกได้ในการใช้ชีวิตเนี่ยให้มีสติตาม ร, รู้คลอเกลียไปเรื่อยให้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหละ<ม>ลองฝึกหน่อยดีไหมวิธีการฝึกสติลองฝึกดูหน่อย ง่ายๆนะง่ายๆเขาเรียกเป็นรูปแบบการฝึกสติให้นําเอาไปใช้เวลาเราอยากจะทำอันนี้เป็นเพียงแค่รูปแบบอย่าไปติดลองทำดูในตอนนี้นอย่าเพิ่งไปติดและลองทำดูก่อนดูที่ว่าลาจะใช้กับการเอาชนะความกลัวผีเอาชนะความเหงาเอาชนะความง่วงเอาชนะความคิดได้ไหมอ่ะนิมนต์เอามือวางไว้สองข้าง าวางไว้ที่ที่ขานะแบมือออกนะครับ <c oughs> นี่มอนเหยียดมือออกไปข้างหน้าไม่ใช่งอองนี้นะมือผมนี่มันเหยียดไม่ได้มันต้องงอเ น, นี่ย ต, ตลอดชีวิตนะเนี่ยเนี่ยงอตล อ, ตลอดชีวิตอย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็ดกิ้วมือก็ไม่ได้ส่วนล่างกาเคลื่อนไหวเองไม่ได้ดแต่ขยับไปมามีอยู่แค่นี้ที่ใช้ได้ชีวิตชีวิตมีเหยียดศีรษะกับร่างกายแล้วก็แขนนั่นนี่ นิ้วมือก็ใช้ไม่ได้ก็อยู่ที่มาตั้งสามสิบสองปีแล้วสาบสองปีน้ำมูงเจ้าอย่าเรียนแบบเหยียดนิ้วมือเอามือวางไม่ต้องหลับตานั่งให้สบายๆอย่าเกร็งทำโยคะบทให้สบายๆแบบผ่อนคลายแบบเรามาทำอะไรเล่นๆสนุกๆอย่าไปจริงจังไม่ต้องใช้ความคิด ไม่ต้องใช้คำบริกรรมเลยทั้งสิ้นไม่ต้องหลับตาใช้เพียงแค่ให้รู้สึกตัวเวลามีการเคลื่อนไหวของมือพลิกมือขวาในท่าตะแคงให้รู้สึกรู้ตัวนะว่ามือกำลังตะแคง ยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวให้รู้สึกตัวนะข้างเอาไว้รู้สึกนะเอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้สึกตัวนะพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวแบบมือขวาเมื่อกี้นะี้ให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวา ให้รู้สึกนะให้เป็นจังหวะเลื่อนมือขวาขึ้นไปที่หน้าอกรู้สึกนะเอามือขวาออมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่มมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นไปที่หน้าอกเอามือซ้ายออกมาด้านข้าง ลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่มมือซ้ายลงพระคุณเจ้าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยอย่าทำช้าทำเป็นจังหวะเลยพลิกปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ ให้เป็นจังหวะมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดอย่าทําช้าๆอย่าทำเร็วทําพอดีให้เป็นมีการเคลื่อนมีการหยุดเคลื่อนก็รู้ตัวหยุดก็รู้ตัวเคลื่อนก็รู้สึกตัวหยุดก็รู้สึกตัวทําแบบผ่อนคลายอย่าไปเกร็งอย่าไปเพ่งรู้เบาๆรู้เฉยๆรู้สึกเฉยๆว่ามันเคลื่อนพอแล้วอันนี้มดอเอม่อีกครั้งหนึ่งครับ พลิกมือขวาในท่าตะแคงรู้สึกยกมือขวาขึ้นมาขึ้นตัวให้รู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้สึกพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นามาขึ้นตัวให้รู้สึกเอามือซ้ายทับไปที่มือขวารู้ตัวนะเลื่อนมือขวามาที่หน้าอก เอามือขวาออมาด้านข้างรู้สึกลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงรู้สึกคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงเราทํำนที้เราทำต่อไปเลยครับพลิกมือขวารู้นิมนต์ทำเรื่อยๆนะครับ เคลื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกรู้เฉยๆรู้แบบผ่อนคลายเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้มีอะไรไหวๆก็รู้ทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆผิดไม่เป็นไรผิดก็ทำไปเรื่อยๆ เจตนารู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือเวลาใจมันคิดไปก็อย่าไปนสนใจมารู้สึกอยู่ที่การเคลื่อนไหวรู้สึกตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้จิตมีพลังให้มีปัจจุบันอยู่ที่การเคลื่อนไหวสติจับไปที่กายเคลื่อนไหวของมือรู้เบาๆสบายๆแบบผ่อนคลาย มันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกตัวเอาใหม่อย่าไปตามความคิดให้มารู้สึกที่การเคลื่อนไหวทุกครั้งเพื่อทําให้จิตมีพลังพลังสติให้จิตมีปัจจุบันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายให้รู้สึกตัวต่อเนื่องอย่าไปสนใจกับเสียงข้างนอก สนใจที่การเคลื่อนไหวของกายแล้วก็สติรู้ทันเมื่อรู้กายเป็นมากๆรู้กายเป็นนานๆมันจะรู้เท่าทันจิตที่มันคิดปรุงแต่งเมื่อจิตคิดปรุงแต่งให้มีสติรู้และปล่อยให้ความคิดนั้นผ่านไปทิ้งไปเลยแล้วมาตั้งต้นรู้ตัวดีการเคลื่อนไหวใหม่ทุกครั้งที่คิด ให้มีสติรู้และปล่อยให้หวงคิดนั้นผ่านไปมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวใหม่เอากายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักให้มีสติเกาะเอาไว้จิตสติจะได้ตั้งมั่นอยู่กับจิตที่เป็นปกติไม่วันไหวไปกับอารมณ์หรือความคิดที่มาปรุงแต่งใจเราก็จะไม่เสียศูนย์เมื่อมีความคิดมาปรุงมีอารมณ์มายั่ว สติทำให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิมีปัญญาเห็นความคิดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงจิตก็จะได้ไม่ยึดติดในความคิดในอารมณ์ถ้าไม่ยึดติดกับอารมณ์ภายนอกแล้วจิตมันก็ไม่เสียสูญอ่าขอบพระคุณครับนิมนต์ <laughs> วเวลาทําเนี่ยอย่าหลับตาถ้าหลับตาเนี่ยมันจะหลับในทําตาโตๆสบายๆ ย, ยกเนี่ยพลิกรู้สึกรู้รู้รู้รู้สึกเมันต้งใช้ความคิดใช้ความรู้สึกล้วนๆอันนี้เป็นเพียงแค่แบบฝึกให้เรามีสติมันหายง่วงมาไหมพระกุศเจ้า <c oughs> การเคลื่อนไหวแล้วมีสติรู้เนี่ยมันกวนจิตกวนใจนะ กวรแม่จิตมันไหลไปกับความง่วงถ้าจิตเราง่วงไปกับความง่วงไเราปรุงแต่งแล้วก็จิตเราก็เสียศูนย์ไปละนั้นการรู้สึกตัวอยู่กับกายกับเราเนี่ยเป็นการทำให้จิตเราเนี่ยตั้งศูนย์ได้เพราะคุณเจ้าลองไปฝึกบ่อยบ่อยฝึกบ่อยบถ้าเราต้องการจะฝึกนะใช้วิธีการเคลื่อนไหวไกายแล้วก็มีสติรู้ เราก็จะรู้ทันความคิดที่มันหลอกลวงเราเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงเราก็จะเอาชนะความคิดได้พอชนะความคิดได้แล้วเราไม่ตกไปท่าทความคิดเราไม่ถูกความคิดใช้อีกแล้วแต่เราไป็ผู้ที่ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ให้คิดดีที่เราคิดดีๆไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยใช้สติเพื่อจะมาใช้ความคิดให้คิดดีเลย ฝกเอว้นะพระคุณเจ้าเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องได้พบกับความสูญเสียแน่นอนเมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียเห็นไหมอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้อะไรมาบ้างแล้วเราเคยเสียอะไรไปบ้างมันหนีไม่พ้นหรอกอยู่ในโลกเนี้ยมันต้องมีได้มีเสียเขาเรียกว่า โล ก, กธรรมแปดเขยี่ยงเขาบอกโล ก, กธรรมแปดไหโล ก, กธรรมแปนี่คือธรรมะที่อยู่ในโลกนี้คนเกิดมาในโลกนี้เป็นมนุษย์จะต้องเจอกับโล ก, กธรรมแ8ดก็คือได้ลาบและก็เสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญก็ต้องถูกนินทาและการหนึ่ง สุขก็ต้องทุกข์แต่ถ้าพระคุณเจ้าได้โลกธรรมฝ่ายบวกคือได้ลาบได้ยศได้สารเสริญได้สุขเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมแต่เมื่อไปเจอความเสื่อมละ่ะเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาใจาเป็นทุกข์เนี่ยเราจะวันไหวทันทีเลยจะวันไหวทันทีเลยเขาเรียกว่าศูญเสียแต่ก็เสียศูนย์ไปด้วย เห็นไหมเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คได้อินข่าวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการสูญเสียมากจากแผ่นดินไหวจากสึนามิแล้วก็เป็นการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เขาสูญเสียของที่มีค่ามีราคาไปมากมาย คนเราก็แปลกในโลกนี้มีแผ่นดินไหวมีอุบัติภัยมากมายยังสูญเสียไม่พอยังเกิดสงครามฆ่ากันให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นเห็นไหมลิเบียกับสาธารณชาติรบกันใ ห, ห้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้น <c oughs> นั่นคือสิ่งภายนอกแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสติมากนะ แล้วเกิดการสูญเสียเนี่ยผมว่าจิตเนี่ยเขานิ่งมากเลยเขาสามารถเฉยเป็นปกติได้แม้จะเสียใจก็นิดหน่อยไม่ตีโพยตีพายเขามีสตินะเขาไม่ตีโพยตีพายเขาแก้ปัญหาเ็าได้ขณะเขารับสิ่งที่ช่วยเหลือหรือรอการช่วยเหลือเขาก็เข้าแถวเข้าคิวกัน แต่งว่าเขามีสติเขาไม่ได้แก่งแยกกันเป็นบางประเทศต้องแก่งแยกกันคนไทยเราอะไปทำงานที่ญี่ปุ่นมีคนไทยอยู่กลุ่มหนึง่งต้องย้ายที่มาอยู่ในเมืองหลวงเอารถบัสไปรับคนไทยแย่งกันขึ้นแล้วคนขึ้นไม่ได้ก็ตี อ, อกชกตัว เราไปไม่ได้ทั้งที่รถบัสมันต้องมีมาอีกคันหนึ่ง <Yeah. S 1> เกิดในญี่ปุ่นแท้ๆเลยแต่คนญี่ปุ่นสามารถนิ่งเพราะมีสติแต่คนไทยนีย่ไม่นิ่ง <Yeah. S 1> แยกกันขึ้นรถทั้งที่มีรถมาลับอีกคันหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็จะรอไปรถคันนี้ให้ได้ไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยไม่มีสติเพราะฉะนั้นเรา ฝึกตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกรู้สึกละอายรู้สึกละอายจะไม่ทาในสิ่งนั้นแม้ว่าเราจะสูญเสียนก็าตามเนี่ยใจเราจะไม่เสียสูนญเพราะเรามีสติคุ้มกันอยู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะต้องเจอกับโลกธรรมที่สูญเสียสักเท่าไหร่ก็ตามมันไม่สาคัญเราว่า ใจเราเนี่ยเป็นอย่างไรในสภาวะเช่นนั้นถ้าคนเกิดความสูญเสียแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าขาดสติตีอกชกตัววุ่นวายจิตมันฟุ้งซ่านมันก็ทำให้เกิดการเสียสูญน้านจิตใจเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่สูญเสียเพียงนิดเดียว ใจเสียศูนย์มากมายศูนย์เสียที่ญี่ปุ่นแต่เสียศูนย์ที่ใจคนไทยไเพราะเป็นปรุงแต่งมากกว่าคนญี่ปุ่นอีกซึ่งคนญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยเขาบอกว่าเขาสึกว่าเป็นธรรมดาอีกไม่ช้าคนญี่ปุ่นก็กู้ประเทศเขาได้เหมือนเดิมใช่ไหมเขาเคยจินเขามีความกล้ า, าหาญแล้วก็ไม่ท้อแท้กอบสักถ้าเราขาดสติแล้วก็ไม่มีวิธีคิดที่จะออกจากปัญหา เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่สูญเสียนี่เดียวก็กลายเป็นสูญเสียมากมายใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเกิดการสูญเสียมากมายแต่ถ้าใจมีสติมันจะเกิดวิธีคิดที่เกิดปัญญาโอ้มีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มีมืดก็มีสว่างมีวิกฤตก็ต้องมีโอกาสเห็นคิดด้วยสติเนี่ยคิดอย่างเงี้ยถ้าคนขาสติคิดไม่ได้ จะเกิดการตนกตื่นตัวตกตะลึงตื่นกลัวตกตะลึงเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วจะมีวิธีคิดที่ดีคิดมองชีวิตในแง่บวกได้คิดเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจนเกิดกำลังใจเกิดความหวังที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นมันจะเกิดปัญญานะพอสติมาปัญญาจะเกิดเห็นว่าอ๋อการสูญเสียเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา การสูญเสียเรื่องธรรมดาถ้ามองอะไรอะไรไปเรื่องธรรมดาเปธรรมชาติแล้วก็ใจจะเป็นปกตินั่นคือใจไม่เตียตูนพราะราบกุญเจ้าได้มีโอกาสมาบวชตรงนี้แหละแม้ว่าจะมีเวลาเป็นแค่9วันขอใหยการบวชก9วันแบบมีคุณภาพบวชทั้งกายบวชทั้งใจด้วยการมาใสธรรมวินัยเนี่ยฝึกสติ ฝึกการจิสติให้จิตมันเข้มแข็งให้ตั้งมั่นเขาไว้ฝึกความเพียรฝึกระเบียบวินยัยฝึกความอดทนฝึกสติถ้าพุทธเจ้ามีสติดีความคิดก็ดีคำพูดก็ดีการกระทำก็ดี การคบเพื่อนคบมิตรก็พลอยดีไปด้วยคบเพื่อนที่ดีคือคบบัณฑิตบัณฑิตภายนอกคือบุคคลที่มีปกติคิดดีทดําดีพูดดีบัณฑิตภายในก็คือตัวสติตัวสติรู้ตัวเสมอเสมอรู้จักกันรู้จักแก้เอาตัวรอดได้นั่นคือบัณฑิตภายในผ่านภายนอกคือบุคคลที่ไม่ควรคบ เพราะอะไรเพราะมีปกติที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วคบผ่านภายนอกมันก็เสือ่อมแต่ลืมนะผ่านภายในก็ไม่น่าคบคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงวนนี้ทําให้เราเสื่อมยิ่งกับผ่านภายนอกคนผ่านภายนอกอาจจะหลบอาจจะหนีได้แต่ผ่านไปภายในเนี่ยเราหนีไม่ได้หรอกเราไปไหนมันไปด้วยแต่ถ้ามีสติเนี่ยเป็นการครบบัณฑิตก็ชนะผ่านภายในได้ถ้าเป็นการครบบัณฑิตในจิตใจ และปุณเจ้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยนี่แหละคือการเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการมีสติมารู้จักตัวเองเปลี่ยนชีวิตใหม่ซึกออกไปก็กลายเป็นคนดีมีประโยชน์แล้วที่สำคัญคือยมพ่อยมแม่ก็พลอยปลื้ม อ, อกปลื้มใจบวชออกมาอ๋อเป็นคนดีน ได้อะไรติดตัวมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปคุยพ่อแม่มีเรื่องอะไรมีความสุขกับคุยเรื่องของลูกที่มีความดีหรอกกล้าคุยกล้าอวดเดี๋ยวผมก็จะสุดท้ายนี้ก็จะเล่าเล่ า, านิทานสั้นๆให้ฟังสักเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณไหนใครอยู่ คุเจ้ารูปไหนจิตวิสพันธ์บ้างอ่าก็ออยังชั่วนหน่อยเล่าได้ <c oughs> <c oughs> คือมีพ่อกับลูกคู่หนึ่งพ่อเนี่ยอยากให้ลูกทิ่ชื่อว่าดำเนี่ยไปบวชซะพ่อมันเข้าบรรษาแล้วบวชตามประเพณีบวชที่วัดบ้านเนี่ยไม่บวชวัดป่าอย่างเงี้ยเขาเรียกวัดป่าเนี่ยพรธาตุรามงคลเนี่ยวัดป่า พราะมีป่ามีที่ปฏิบัติทวัดบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ปฏิบัติหรอกทำแต่กิจกรรมนะไม่ค่อยได้ปฏิบตัติไปบวชที่วัดบ้านเพราะใกล้บ้านใกล้ญาติจะดูแลได้สะดวกก็ในระหว่างที่ในพระดําในบวชเนี่ยท่านก็ไม่ชอบอย่างหนึ่งว่าพระวัดนั้นไม่ค่อยมีอะไรทำกรรมฐานก็ไม่มี ครูบาจ้า์ก็ไม่ค่อยสนใจพระเนนก็มีที่เล่นหมากรุกเพราะเวลาว่างเล่นหมากรุ ก, กโคประลุกกันทั้งวันพระก็นเนนโคประลุกกันเลยพระดําก็ไปนั่งดูพระเนนคู่หนึ่งโกะปลุกพระนิดหลวงพี่เ น, เนี่ยก็เรียนหลวงพี่เนเีเ ล, เ, นเล่นหลวงพี่หลวงพี่นิดแพ้เรื่อยเลยเนนเล่นไนดีกว่าเนนเอาชนะทุกหมากทุกกระดานไหมพระเจ้าเล่นหมากรุกเป็นไหม ไหนคุณเจ้าเล่นไม่เป็นมีไหมแล้วผมจะเล่าเรื่องหมาลุกถูกไหมเนียเนนิดชนะทุกตรา ا โอ้หลวงพี่นิดชักเบื่อแล้วเนนชนะเรื่อยเลยมีอีกครั้งหนึ่งพระได้ทีโมโหเนนเอาลุกหลวงพี่ก็ลุกได้หทีลุกแล้วบอกอ้าวลุกพ่อของก็ไปโมโหแล้วโอ้เนนจวชาแลยหลวงพี่ลุกพ่ออไปแล้วนั่งตัวชาแล้วไม่กล้าพูดแล้วนั่งเงียบๆเลย สักพักหนึ่งเนนได้ทีก็จับบักลุกขกปั้งไปลุกแบบหลวงพี่นี่แหละ <c oughs> เนนแก่เป็ดเนยแล้วก็พระดำไปนั่งดูแล้วไม่ดีเลยนะไม่สดชื่นนะดูแล้วไม่ไม่ชอบไม่ชอบการเล่นบักรลุกก็เลยไปกวาดลานใจดีไปพัฒนาวัดบางบ้างก็ไปนั่งนั่ ง, งสมาธิในวัดบ้างถึงข่าวซึกออกมาเนี่ยพ่อก็ถามว่า ไอทิศเองบวชได้อะไรมาบ้างก็จะไม่ได้อะไรก็ไม่ทำอะไรไม่ได้แต่พัฒนาวัดแล้วก็นั่งสมาธิเล็กน้อยคือไม่ได้อะไรเป็นลูกประธรรมอะได้แต่ความขยันแล้วก็ได้ได้ทําสมาธิบ้างพ่อก็เลยต้องคุยหนย่ไปคุยกับเพื่อนบ้านบอกมม่ไอดําลูกข้าไอทิศดําลูกของข้า บวทั้งทีโคบักรุกไม่เป็นมันไม่ได้อะไรสึกออกมาไม่ได้อะไรเล ย, เลยไม่ได้อะไรติดมือไปเลยโคบักรุกก็ยังไม่เป็นแต่พระคุณเจ้าไม่ใช่งั้นนะเนมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากผู้ที่มีความหลงลืมตัวการผู้ที่รู้สึกตัวเนี่ยคือการเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้ว จากเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยด้วยสติเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะก็สมควรกเกี่ยวเวลาเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอเมตตาอาภาัยด้วยนะบางทีผมเองก็พูดคุยใช้คำพูดใช้วาจาใช้การกระทาต่างๆที่ร่วงเกิะบุญเจ้าบ้านก็เมตตาให้อาภาัยด้วยนมะรสการครับขออาจารย์ตอบคำถาม มีคำถามจากท่านพระใหม่นะฮะดีเยินดีนะจะเรียนเชิญคุณเหนจากชมรมเพื่อนคุณธรรมเป็นผู้อ่านคำถามให้อาจารย์ค่ะนมัส ก, การพระคุณเจ้าที่เคารพนะคะดิฉันศรีนีนาศประเสริฐพักดีจากชมรมเพื่อนคุณธรรมค่ะคำถามที่หลายท่านนะคะได้กรุณาฝากมาให้อาจารย์ช่วยตอบก็รู้สึกว่าจะมีประโยชน์เกือบทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะเยอะหน่อยนะคะอาจารย์วันนี้มาทําบุญกันค่ะ ค่ะคำถามแรกนะคะปัจจุบันท่านอาจารย์มีหลักการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรแม้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะคะแล้วก็พอดีว่าคำถามที่สองคล้ายๆกันก็จะให้อาจารย์ตอบพร้อมกันเลยนะคะคำถามที่สองคือบอกว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของท่านอาจารย์คืออะไรค่ะตอบพร้อมกันเลยดีไหมคะจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่กับหลักการใช้ชีวิตประจาวันเชิญค่ะ ตอนนี้ก็มันก็อยู่แบบเล่นๆสนุกๆกันนะไม่ได้มีเป้าหมายอะไรหรอกเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีอนาคตว่าชีวิตมีอยู่กับปัจจุบันนะทุกวันนี้ก็ถือว่าสภาพร่างกายที่ดูแล้วไล่สาระก็เลยเอาร่างกายที่ไล้สาระเนี่ยมาทำให้เป็นสาระคือเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจนะกับผู้ที่มีปัญหาอยากจะพูดจะคุย นี่คือทําอยู่ทุกวันเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างมาที่เนี่ยอย่างท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านก็เชิญมาผมก็ยินดีนะอยากจะมานะดีเี่ยามานะเพราะว่าทําในส่วนเนี่ยยิ่งทํากับพระคุณเจ้าเนี่ยผมมีความปิติมากแล้วว่าจะรับเลยถ้าเป็นคารวาเชเจอเป็นบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปแต่พระคุณเจ้าเธอเนี่ยผมต้องไปผมถือว่าเป็นเป็นบริษัทหนึ่งนในจานวนพุทธบริษัท4ี่ในการช่วยเผยแพ่ธรรมะ เนี่ยผมก็ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นฝ่ายอุบาทศกก็มีสิทธิที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะได้นะโดยมีพระขุนเจ้าเนี่ยท่านทรงฤทธิ์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยทําประโยชน์ในส่วนนี้นทำแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะทำเพื่อจะทําเห็นว่าสิ่งนี้มันดีก็จะทําไปเรื่อยไม่ได้คาดหวังว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรไม่สนใจผมมีหน้าที่ทําเหตุผมก็ทําเหตุไป ผลเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้คาดหวังอนาคตว่าจะเป็นไรเนี่ยไม่มีพอทําแล้วก็จบจบในการการะทําไม่มีการวางแผลในอนาคตจะต้องบรรลุนิพพานจะต้องทํามีตําแหน่งสูงใหญ่เลื่อนแะล้วไม่ไม่มีทําตรงนี้แล้วก็มีความสุขตรงนี้ก็เพียงพอแล้วตลอดชีวิตในปัจจุบันค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นชายวัยกลางคนจะไปทางชะลาแล้วอะค่ะ แต่พระคุณเจ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นผู้อายุน้อยนะคะจะให้ใช่วิธีคิดแบบที่อาจารย์ใช้อยู่เนี่ยจะเหมาะหรือเปล่าคะอันนี้ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงนะค ะ, ะนี่อันนี้ถามถึงถามถึงพระคุณเจ้านะค่ะพระคุณเจ้านี่ก้าวเดินชีวิตเป้าหมายก็ต้องเป็นอย่างที่ผมทำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณเจ้ามีหน้าที่อะไร คุณเจ้ามีหน้าที่อะไรก็ต้องทานาำตามหน้าที่ของเราตอนนี้คุณเจ้าเป็นผู้บวชต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดธรรมวินัยตอนนี้ต้องทาหน้าที่เป็นผู้บวชโดยมีท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เป็นผู้แนะนาเป็นพี่เลี้ยงทำตรงนี้ก่อนเมื่อท่านศึกขาลาเพศไปแล้วเนี่ยท่านทาหน้าที่อะไรเป็นนักเรียนหรือรับราชการ ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดนั่นคือหน้าที่ภายนอกทำหน้าที่ข้างนอกให้ดีที่สุดให้เต็มกำลังด้ดยความตั้งใจแต่ทำข้างในด้วยสติให้รู้เท่าทาันว่าเราทำอะไรมีสติในการทำหน้าที่ข้างนอกแล้วก็มีสติรู้ทันจิตใจที่มันคิดปรุงแต่งข้างในการทำหน้าที่ข้างนอกนั้น เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขของคนใกล้ตัวและทั้งโลกทั้งประเทศทำไปเถอะแต่ที่ภายในนั้นเพื่อการดับทุกข์ภายในใจไม่ต้องเป็นทุกข์แม้ว่าทาหน้าที่แล้วถูกคนติชินนินทาทาหน้าที่แล้วไม่ได้ลาบไม่ได้ยศอย่างที่เราตั้งใจไว้ทำหน้าที่แล้วไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังอันนั้นเป็นความคิดที่ต้องมีสติรู้ให้ทันแล้วก็ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเช่นนี้ใจเราก็จะสบายเพราะทำเหตุดีแล้วผลจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเราเป็นเรื่องของผลนะรั้นทาหน้าที่ข้างนอกด้วยสติแล้วก็รักษาใจเป็นปกติก็ด้วยสติเช่นเดียวกันนะข้างนอกอาจจะโดนโลกธรรมฝ่ายลบแต่ข้างในใจก็ไม่เสียสูญเพราะมีสติลยุยทาอย่างเงี้ยยากเกินไปไหม เอาไหวไหมคะอยู่วิสัยทําได้ไหมเสือยังทําได้เลยนะเรายิ่งเนื้อเสือค่ะคำถามต่อไปนะคะก็เกี่ยวกับที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องการดูตัวเองนะคะพระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านยังไม่ค่อยมั่นใจคะ่ะว่าการดูตัวเองที่อาจารย์พูดถึงนั้นน่ะมีวิธีอย่างไรแล้วสามารถทําในเวลาใดได้บ้างอะคะ่ะการดูตัวเองคือการมีสติ เป็นตาสติคือความระลึกรู้รู้ว่ากายกำลังทำอะไรรู้ว่าใจกำลังคิดอะไรเห็นตัวเราเองเนี่ยมันมีสองอย่างคือมีกายกับใจกายที่เรานั่งอยู่นี่แหละคือกายที่กำลังเคลื่อนไหวยกมือเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือกายให้มีสติรู้และใจกำลังคิดอะไรให้มีสติรู้ การรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นการมารู้จักตัวเองให้รู้ความจริงว่ากายใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเที่ยงแท้แน่นอนไหมมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันควรจะยึดมั่นถรือมั่นเพราะบังคับบัญชามันได้หรือเปล่าจิตจะได้เป็นอิสระเห็นไหมและวิธีการดูถ้าดูตรงนี้ได้ถูกต้องแล้วก็เราจะพ้นทุกข์พ้นปัญหาเลยเมื่อจิตอิสระไม่ยึดติดในกายในใจแล้วเนี่ยจิตมันจะเบาแล้วก็จะทําหน้าที่ กับคนอื่นและตัวเองได้ดีที่สุดไม่ถูกอารมณ์ครอบงำแล้ววิธีการดูเนี่ยมันมีสองอย่างคือดูในรูปแบบกับนอกรูปแบบรูปแบบเป็นการฝึกล้วนอาจจะเมื่กี้เนี่ยการยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะจังหวะอันนี้เป็นรูปแบบให้ฝึกเพื่อจิตเราเนี่ยมันตั้งมั่นให้รู้จักเรื่องของกายที่มันเคลื่อนไหวถ้าท่านทำกรรมาฐานแบบลมหายใจ หรือมีพุทธโธคำบริกรรมก็คือการมาดูกายดูตัวเองดูตรงนี้มีสติอยู่กระลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้บริกรรมพุทธก็รู้บริกรรมโธก็รู้ให้รู้ตัวในการเคลื่อนไหวของกายในคำบริกรรมหรือที่เราทำเป็นรูปแบบกรรมฐานอยู่ยแล้วก็จิตคิดอะไรก็ให้รู้ทันอันนี้คือรูปแบบที่ฝึกเมื่อเรามีโอกาสหรือว่าการบวชเนี่ยฝึกได้ดีมากเลย เพราเราไม่ได้ไปทํางานอย่างนอกนอกจากเราทํางานเกี่ยวตัวเราเองการมาดูตัวเองแล้วเวลานอกรูปแบบคือการใช้ชีวิตตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกตัวการมาล้างหน้าแปรงฟันก็ใหเติมสติเติมความรู้นเนื้อรู้ตัวไปด้วย <Yeah. S 1> เข้าน้ําก็รู้สึกตัวแปรงฟันรู้สึกตัวล้างหน้ารู้สึกตัวเดินมาที่ ที่สวดมนต์ธวันเจ้าก็รู้สึกตัวสวดมนต์ก็รู้สึกตัวดื่มน้ำก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกขับถ่ายก็รู้สึกพัฒนาวัดก็รู้ตัวว่าเรากาลังทำอะไรกายกาลังทำอะไรให้มีสติรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราพยายามเติมความรู้สึกตัวเอาไว้ไเรื่อยนั่นเป็นการฝึกในที่ปัจจุบันคือการมีสติตามรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึก ฝึก2แบบนะทั้งในรูปแบบคือทำเมื่อมีโอกาสหรือทำพร้อมๆกันนอกรูปแบบคือการคิดประจันหวัใช้ได้ศึกเอาไปก็ไปใช้ได้ค่ะก็ทำกันได้ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะคะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ในการนั่งสมาธิเนี่ยคะ่ะบางท่านเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เกิดเห็นนิมิตแต่บางท่านเนี่ยไม่เห็นนิมิต คำถามคือว่าผู้ที่นั่งแล้วเห็นนิมิตเนี่ยแปลว่านั่งได้ดีกว่าได้สมาธิขั้นสูงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตไม่ใช่เป้าหมายของสมาธิสมาธิไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิไม่ใช่เป็นการยืนไม่ใช่เป็นการเดินสมาธิคือเรื่องของจิตที่ตั้งมั่น ใช่ไไฟดับมันก็ไม่เที่ยงเ <c oughs> กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันสมาธิคือจิตที่ตั้งมัน่นใครทาสมาธิรถ้วจิตตั้งมัน่นมันจะไม่มีนิมิต ท, ที่จะมาหลอกลวงเป็นเทวดาเป็นนาฟ้าเป็นสัตว์นรกหลอกถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ของคำบริกรรมหรือกรรมฐานที่เราตั้งเป็นหลักเอาไว้นั่นคือมีสมาธินิมิตไม่ใช่นิมิตคือทางผ่านของสมาธิ เมื่อจิตสงบอาจจะเกิดสมาธิเราก็อย่าไปสนใจก็อยู่กับคำบริกรรมหรือการเป็นแบบของเราไปเรื่อยๆนั่นคือสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วไม่เกิดนิมิตแต่มีความรู้สึกตัวอยู่ว่าจิตสงบเป็นสมาธิก็ใช้ได้หรือมีสมาธิแล้วเกิดนิมิตมีสติรู้ทันในนิมิตนั้นก็ใช้ได้ ถ้าขาดสติในสมาธิเราก็จะหลับไหลคิดปรุงแต่งคนที่ปฏิบัติแล้วไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดนิมิตนั้นถ้ามีสติรู้ตัวก็ใช้ได้คนปฏิบัติถ้าเกิดนิมิตขึ้นมาถ้าขาดสติก็ยังใช้ไม่ได้คนที่นั่งแ ล, แล้วมีสมาธิแล้วมีความคิดปรุงแต่งถ้ามีสติรู้ทันใช้ได้ถ้าคนนั่งสมาธิแล้วจิตสงบไม่มีสมิรู้ทันใช้ไม่ได้ สำคัญที่ว่าเรามีสติรู้ทันไหมว่าขณะนั้นเนี่ยเรานั่งในท่าอะไรหรือใจเราเป็นอย่างไรนี่คือสติสมาธิที่นาไปสู่การปัญญาเห็นแจ้งที่แท้จริงค่ะคำถามต่อไปนะคะอาจารย์เคยเจอคนที่ว่าไม่สนใจธรรมะไหมคะเราจะมีวิธียังไงไหมคะที่จะให้คนที่ไม่สนใจธรรมะเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็เริ่มศึกษาธรรมะบ้าง แล้วมีไหมที่พยายามชักจูงแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะแล้วเกิดอาการท้อบ้างไหมแล้วถ้าท้อแล้วอาจจะท้อทำไมมันไม่ใช่เรื่องของเรามไม่ใช่ของเราเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเมตตาอยากจะอยาจะประดเขาวย่างนั้นนะผมเองก็เคยเจอนะอเจอ ตอนที่ไปด้วยการทาใหม่ๆเนี่ยอยากให้คนนู้นคนนี้มันสนใจธรรมะอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยมาสนใจธรรมะแต่เราลืมไปว่าใจเราฟุ้งในธรรมะเขาแล้วเพราะฉะนั้นการจะแนะนําบอกเขาเนี่ยเราต้องรู้จักรู้จักโอกาสนะ่มีหลายอย่างคือการพูดให้ฟังเราทําหรือยังพูดให้ฟังนะ ก็เขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรทำตัวอย่างของเราให้เขาดูไม่ต้องใช้คาพูดเลยทําให้เขาดูคือใช้การใช้ชีวิตแบบสงบเรียบง่ายประหยัดมีความอดทนมีความเพียรคือการทำตัวอย่างแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่ให้เขาเห็นคือต้องมีความสุขให้เขาเห็นถ้าปฏิบัติทำแล้วเนี่ยให้เขาปฏิบัติตามเขาไม่ทำตามเราเครียดเราโกรธ แล้วใครก็จะไปเชื่อเราล่ะต้องเป็นอยู่ให้เขาเห็ น, นการพูดหนึ่งร้อยคำพันคำสู้ทําให้ดูหนึ่งครั้งไม่ได้เราทําให้เขาดูเขาดูหรือไม่ดูไม่สนใจแต่เราทําตัวอย่างเขาเห็นก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นการโปรดจะเรยอจะบอกใครเนี่ยต้องดูเขาก่อนดูอารมณ์เขาก่อนถ้าเขากําลังดื่มเหล้าไปบอกเขาให้สนใจเนี่ย เดือดร้อนนะแล้วอย่างคุณยอมพ่อยอมแม่เราอยากให้สนใจธรรมะเนี่ยเราไปสอนทำไม่ได้หรอกนอกจากมีความสุขให้เขาเห็นทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความสงบไม่วันไหวกับอารมณ์เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีใจก็ไม่เสียตูนทำตรงนี้เขาเห็นสิและเขาจะเชื่อเราอาจจะบอกเขา ไม่เชื่อก็ทำตัวอย่างเขาไม่เชื่อก็สร้างเขาก็าเจอบ่อยนะเจอบ่อยนี้ก็เจอบ่อยก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของเราคือทำเหตุให้ดีส่วนผลนั้นใครจะเชื่อหรือไม่นั้นมันไม่เกี่ยวกับเราล้วก็มีความสุนในการกระทาของเราจรังหวะสำคัญอยู่ที่ว่าคนที่เขาไม่สนใจธรรมะนั้นเนี่ยเขาเปิดใจด้วยหรือเปล่าด้วยกระมังคะ ต้องดูโอกาสเพราะถ้าเขาไม่เปิดใจที่จะฟังเนี่ย <c oughs> คงจะยากนะคะแม้แต่พระพุทธเจ้ายัางยังยังรับไม่ไหวเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เปิดใจจะรับฟังพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยกว่าจ<ท>ะเ <c oughs> ชื่อลูกนี่นานไหม <c oughs> ขนา บ, บวชผู้จเจ้าแล้วนะสิทธถะบวชเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสุโธทนะซึ่งเป็นพ่อเนี่ยยังไม่เชื่อนะ <c oughs> ต้องไปสอนไปทำไอ้ดูต้องหลายครั้งที่จะเชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราชมรมเบื้อคุณธรรมเนี่ยไปด้วยกัน เอารถตู้ผ่านเข้าไปพูดธรรมะอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งจำไม่ได้ที่ไหนผ่านเข้าโอ้เขาก็เปิดเปิดประตูตอนแรกเขาตรวจคนเลยมาจากไหนจะไปไหนเราไปพูดธรรมะโอ้เขาก็เปิดให้เพราะเป็นวิยากอนเราก็ถือโอกาสอ๋อแจกแผ่นซีดีแจกหนังสือพอเปิดประตูไปยกแผ่นซีดีเขาเขาบอกไงไหมอะไรคะนะ่ะแผ่นซีดีอ๋อซีดีอะไรซีดีธรรมะโอ้ไม่เอาไม่เอา อรีฟเข้าไปเร็วๆเลยไม่เอาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเปิดประตนะูแต่ไม่เปิดใจ <c oughs> อันนี้ป่วยการเสียของด้วยของเราไม่ได้ไปไล่แจกเนียอย่างผมเนี่ยมานี่ก็ไม่ได้มาไล่แจกนะเพราะพวกคุณเจ้าสนใจคุณเจ้าเปิดใจเปิดใจเราก็สามารถเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ใส่ไปในใจได้นะอย่าลืมนะบางทีคนอื่นเขาเปิดประตูแต่ไม่เปิดใจกับเราเนี่ยเราก็อย่าเสียเวลารอจนกว่าเขา ถึงพร้อมก่อนันงทีอาจจะใช้นิกรรมไม่หมดก็ได้ก็จึงไม่ได้สนใจทำว่ะค่ะพอพูดถึงนี้กรรมแล้วต้องตรงนี้เลยค่ะที่อาจารย์พิการอยู่อย่างนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมในอดีตชาติหรือไม่คะเอาชาติก่อนจะมาเกิดหรือเกิดแล้วเอาตอนไหนดีละคะเอาแล้วผมจะไปรู้ยังไงอ่ะก็ผมเพิ่งเกิดมาเมื่อเมื่อห้าสิบปีเอาสองแบบเลยแล้วกันค่ะเอาแบบอดีตชาติและปัจจุบันชาติค่ะ โอ้ oh, อดีตชาติดีนะ mm hmm. เขาก็ดูไว้ว่าเนี่ยทำไมผมถึงพิการนะเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเป็นนักรบ mm hmm. เป็นนักรบ mm hmm. น, นักร บ, บกับพมา่าเป็นแม่ทัพด้วยนะอันนี้นายทัพพม่าเนี่ยมาตั้งทัพในเมืองไทยเอาลูกสาวมาด้วย <laughs> ต้องการอย่ากล้ผมเนี่ยไปเป็นลูกเขยเขา เอาลูกสาวเขาเป็นภรรยาแต่เราไม่ยอมนะเราไม่ยอมแล้ว เ, เกิดตายแล้วเกิดใหม่เขาจึงมาตามล้างแค้นอันนี้ <fe> เป็นนิทานนะคะเมื่อไหผมตายนี่หมอดูเขาดูไวที่หมอเข้าทรงอะ่ะว่าเจะเอาผมไปเป็นสามีก็ก <laughs> ็จึงให้ผมตัวพี่การแล้วแล้วก็ตายไปพอดีผมไม่ตายมีแค่พิการบางคนก็ดูว่าเนี่ยผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีควายเนี่ยควายมันจะนอนน้ํา ก็เห็นมันนอนเอาเอาจอบเตีคอควายหักเลยคอผมเลยหักนะเกิดมาอันนั้นคือดิจิตาคืดูกันไปหมอผีก็ว่าผีเข้าเนะนะจ้าขเข้าสงก็ว่าเนี่ยมันโดนโดนของพระก็ว่าเป็นเรื่องของกรรมอันนั้นก็ว่ากันไปผมไม่พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้เลยแต่ถ้าในปัจจุบันแล้วก็ผมเกิดมาเนี่ย ผมเป็นคนที่ชอบเล่นชอบสนุกผมเกิดเป็นลูกชาวเรือผมชอบชอบเล่นน้ําสนามน้ําแม่น้ําแม่น้ำเจ้พยายเนี่ยคือสนามเด็กเป็นของผมผมชอบทําอะไรที่ผาดโผนชอบทำอะไรที่ท้าทายตัวเองผมไม่กลัวความลาบากชอบทำอะไรทท้าทายแล้วก็เสียงเสียงนี่ชอบมากชอบเสียงทําได้แล้วมันภูมิใจทําไม่ได้ก็พยายามทําเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนั้นเวลาเรียนก็เสียงแข่งลากบี่ก็ต้องชน เขาเรียกไปควายตู้ <c oughs> ไม่รู้อะเล่นสกรรมฮารแต่ไปชนแล้วก็อยากก่างกระปบเล่นรักบี้เป็นไหมคุเจ้า <c oughs> ผมเล่นรักบี้นะโอ oh, ชนเล่นฟุตบอลก็เสียงสวนเป็นสวนแรงในเกมก้านเนื้อฉีกแผลผมนี่เต็มไปหมดเลยผมเป็นคนชอบบู๊แล้วก็สนุกแบบนั้นมันท้าทายชีวิตและปุ่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นกรรมของผมที่มันขาดสติ แล้วก็ชอบทําอะไรแบบไม่ฉุดคิดไม่เห็นทุกเห็นโทษของการขาดสติก็ทั้งเป็นครูพละมากระโดดน้ําสอนวิธีการว่ายน้ําเนี่ยกระโดดลงไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยออกกําลังกายมามากผมสอนวิชาพลระศราสตรในวิทยาัาสตร์อ่างทองเนี่ยผมเดินผ่านสนามไหนผมจะลงเล่นสนามนั้นผ่านสนามบาสเล่นบาสอีกด้านหนึ่อเสื้ออีกด้านใส่เสื้อเอาผมถอดเสื้อเล่นกับเด็กนักศึกษาพานสนามบอลเล่นบอล ผ่านสนามเทนนิสเล่นเทนนิสจนตั้งถึงสะว่ายน้ําผ่านสะว่ายน้ําเอากกางเกงว่ายน้ําเตรียมเรียบร้อยแล้วผมก็เล่นน้ําต่อคิดดูเด็กสี่โมงเย็นเราเลิกจากการสอนเนี่ยเราผ่านมาหลายสนามเนี่ยกําลังวังชามจะเหมือนเดิมไหมมันก็อ่อนแรงเนี่ยเราเล่นสาธิตด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมนี่คือความประมาท รู้ไม่เท่าทันเหตุการณ์คือความประมาทจึงกระโดดนั้นลงไปในท่าทางที่เราไม่พร้อมจึเกิ ด, ดอุบัติเหตุอันนี้คือกรรมของผมนะซึ่งเป็นนิสัยที่เป็นคนที่ชอบเล่นชอบอะไรแล้วก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะคาสติในการใช้ชีวิตนะธรรมะจึงลงโทษให้ต้องพิการอย่างนี้กรรมในปัจจุบันก็เกิดขึ้นในตอนนี้แหละ และที่สําคัญก็คือสะไว้น้ําตรงจุดที่อาจารย์กระโดดลงไปเนี่ยเป็นช่วงน้ําตื้นที่ความลึกของน้ําไม่ถึงเมตรห้ไม่แปลกนะคะที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่บังเอิญว่าณจุดนั้นนะคะอาจารย์กระโดดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ยังไม่ถึงคราวที่จะได้พลิกผันชีวิตนะคะทุกครั้งที่ผ่านมาอาจจะร่างกายพร้อมนะคะอาจารย์แต่คราวนั้นเนี่ยร่างกายล้าแล้วแล้วก็ไปโดดในจุดที่น้ําตื้นมาก ก็เลยเป็นเหตุให้ได้เป็นอาจารย์กำพลในวันนี้นะคะหลังจากพิการแล้วอาจารย์ใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะตั้งหลักได้ตอนพิการเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะผมกลายเป็นตัวอย่างในวิลัยลาววันนี้คือความประมาทนะก็ เ, เลยตั้งสารมาผูิไว้ผมมีาสารประจำตัวสารประจําตัวสารอาจากกรย์กำพลนะมีนะเดี๋ยวนี้มีพอคนจะเล่นน้ํามองเห็นสารโอประมาทไม่ได้ไว้อาจารย์เป็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะ ขนาดขนาดเราไม่ได้ไปสอนแต่เป็นตัวอย่างได้วันนี้คือดีเราก็ไปดูศาลเราคนเห็นตกใจโอ้โหจา์บายัางไงบ <laughs> ายัางไงเนี่ย <laughs> แต่ผมพิการมาก็น่าจะเป็นช่วงสี่เดือนไปแล้วเริ่มทำใจได้เริ่มยอมรับความจริงตอนแรกที่ป่วยโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่คิดว่าผมพิการหรอกคิดว่าผมฝันไปมากกว่ากลางคืนกลางวันเนี่ยมันสับสนได้หมดเลยผม เบลอไปหมดเลยว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่ตรงไหนกลางคืนฝันว่าเราเป็นปกติเดินได้แต่กลางวันเนี่ยกลับกลายเป็นคนพิการเอ๊ะมันตรงไหนมันคือชีวิตเรากันแน่สับสนมากเลยออกจากโรงพยาบาลแล้วถึงรู้ว่าเราเป็นพิการจริงเพราะก่อนออกจาโรงพยาบาลเนี่ยก็จะออกมาเนี่ยหมอเขาตัดรถเข็นให้คันหอ๋อออกรถใหม่นะคนออกรถใหม่เขาต้องภูมิใจนะแต่เราลุ้นอนาคตเลยโทรเราชีวิต ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้บิวแชร์ตลอดชีวิตแล้วไม่ภูมิใจกับรถใหม่ที่เราได้เลยถ้าเป็นป้ายก็ป้ายแดงนั้นแต่ดูแล้วไม่มีความสุขกับรถป้ายแดงของเราเลยจึงรู้ว่าเราจะต้องพิ ก, การตนตลอดชีวิตสี่เดือนนะเริ่มยอมรับความจริงสี่เดือยนะยอมรับความจริงแล้วมันทำใจได้หรื อ, อยังคะตอนนั้นพอเริ่มทำใจได้แล้วได้ไดแต่ว่าทาได้ไม่หมดนะ ทำใจไ ด, ได้เมื่อเราคิดได้แต่ส่วนมากก็ทําใจได้ยากมากเพราะเวลาเราป่วยมีคนมาเยี่ยมเราก็เกิดการเปรียบเทียบ ม, มาก่อนนี้เราก็เป็นอย่างเขาเดี๋ยวนี้เราเป็นคนป่วยแล้วมันก็ทําใจไม่ได้ตอนนี้เพื่อนมาเยี่ยมบ้างหรือตอนที่เรามีความทุกข์เวลาเราเครียดและส่วนมากจะจะทุกข์มากและนานทีเราก็มีความทําใจได้บ้างแต่ว่าช่วงสั้น ซึ่งดูแล้วมันน่ามันทําให้เราเนี่ยพ yeah. ื้นพื้นจิตใจได้ยากมากเพราะเราไม่มีสติค่อยช่วยทําใจเลยจนป่านนี้แล้วเพื่อนเพื่อนของผมเนี่ยมีตําแหน่งการงานที่สูงส่งมากเพื่อนเป็นถึงผู้นวยการก็มีตอนนี้ผมยังกลายเป็นคนพิการเมื่อก่อนเจอเพื่อนแล้วเราเป็นทุกข์แต่นี้เจอเพื่อนเราภูมิใจในเพื่อนแต่นี้ใจเป็นปกติถ้าเพื่อนได้ดีเราก็ยินดีแต่เราไม่เคยเป็นทุกข์ไม่เคยเปรียบเทียบว่าทําไมเราจึงไม่เป็นอย่างนั้น เราไม่อยากไปเครียดเราไปอย่างนี้ดีกว่าสบายใจทำประโยชน์ได้มากกว่าด้วยภูมิใจในความมีความเป็นของเราอาจารย์แล้วมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะพอมีวิธีอะไรที่จะชักชวนโน้มน้าวให้คนที่พิการกายหันมาสนใจธรรมะมาปฏิบัติธรรมบ้างค่ะ อ า, อาจารย์พักนิดนึงก็ได้คะ่ะจะจะถามอาจารย์อยู่ว่าคําถามนี้อยากจะตอบเองหรืออยากให้คุณวีระตอบเพราะคุณวีระนี่ที่ที่มาด้วยนะคะที่นั่งเก้าอี้วีแชร์อีกท่านนึงนะคะอะอยู่ตรงนั้นนะคะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะคือว่าเขาเป็นผู้พิการที่รู้จักอาจารย์กําพลจากหนังสือแล้วก็สื่อธรรมะของชมรมแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ มาที่ชมรมเพื่อมหาสื่อธรรมะเพิ่มเติมโดยที่ไม่ทราบว่าอาจารย์กำพลเนี่ยอยู่ที่ชมรมนะคะพอเห็นอาจารย์กำพลครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะเขาเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยนะคะค <c oughs> ำถามก็คือว่าจะใช้อุบายวิธีใดในการเชิญชวนผู้ที่มีร่างกายพิการมาปฏิบัติธรรมคะรับแรกก็คือเราต้องดูก่อนความอยากให้เขาดีอยากให้เขา มีชวิตที่อยากจะช่วยเหลือเขาเมตตาเขาเนี่ยมันเต็มอัดอยู่ในใจแต่ต้องดูคนอื่ก่อนว่าเขาสนใจไหมเขาเปิดใจไหมถ้าเขาเปิดใจแล้วก็บอกเขาบางคนเขาไม่เปิดใจแล้วก็ป่วยการเหนื่อยเป่าๆแต่คุณวิระเนี่ยเขาเปิดใจเขาเปิดใจเพิ่ถามว่าคือคือตอนแรกก็ไม่ตั้งใจถามว่าเขามีความทุกข์ไหมสบายใจไหมเมื่อเขาพิการเข้ามาในชมรมครั้งแรกเนี่ยหน้าตาเขายับกว่านี้ ดูไม่ได้อย่างนี้นหรอกนะคะอันนี้นเราไม่ได้แกล้งว่านะคะรอยยิ้มไม่มีและห<อ>น้ายับย่นกว่าที่เห็นเยอะเลยคะ่ะแสดงว่าเขามีความทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องแล้วก็เปิดใจด้วยเราก็เออเราน่าจะทําสิ่งดีๆแนะนําสิ่งนี้กับเขาเอี่างน้อยเอาประสบอังเราเนี่ยบอกเขาเขาจะได้พัฒนาตัวเขาจากคนที่เป็นทุกข์มาไม่ทุกข์ได้เขาเป็นคนที่สูญเสียนะเขาสูญเสียสภาพทั้งร่างกายและจิตใจเลย เวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณเอ๋เล่าฟังว่าประสบผลอสำเร็ตอะไรแต่ความสูญเสียเขาเนี่ยทำให้ใจเนี่ยมันเสียศูนย์ไม่มีธรรมะรักษาใจให้ตั้งศูนย์ได้แต่ว่าเขาโชคดีที่เขาเปิดใจรับฟังยอมรับแล้วก็นําพิธีที่เราที่ผมแนะนําเนี่ยเอาไปไปฏิบัติตามเขามีร่างกายที่สูญเสียแต่ใจเขาเนี่ยไม่เสียศูนย์นะเขาทําได้ดีกับผมอีกเพียงแค่สอนให้เขาช่วยตัวเอง เขาช่วยเองได้ดีกับผมซึ่งผมบางทีช่วยเองได้ไม่เท่าเขาซี่ทำไปเลยจึงเป็นที่ชนนาจูตาของพวกเราเชาวชมลม่ะตัวอย่างคนพิการที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีและมีความสุขได้ก็ยังมีอยู่ในโลกนี้อาจารย์คะแล้วเวลาที่มีเรื่องมากระทบจิตใจนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทำเนี่ยคืออะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถจะลืมเรื่องราวต่างๆที่มากระแทกใจเราได้อย่างเร็วหน่อยนะคะ มยังเร็วใช่ไหมยังเร็วพอมีอะไรกระทบใจิตใจปั๊บในฝ่ายที่เอาว่าไม่ดีนะสิ่งที่ดีเราชอบนะกระทบดิกร้อบบ่อยๆก็ชอบสิ่งที่ไม่ดีพอกระทบปั๊บเนี่ยมันต้องตั้งสติให้ได้ก่อนถ้าตั้งสติไม่ได้เนี่ยเราจะหมกมุ่นไปกับสิ่งนั้นทำไมต้องเป็นเราเวรกรรมในของเราม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาจะตีอกชกตัวโทษคนนู้นโทษคนนี้กลายเป็นนักโทษไปเห็นไะ พอตั้งสติปั๊บเนี่ยจิตมันจะเป็นปกติเพราะจิตปกติแล้วเนี่ยจิตที่มางว่างด้วยมีสติเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแล้วก็มีวิธีคิดมีวิธีคิดที่แยบคายอย่างน้อยทำให้เราคิดบวกเข้าใจคว่าคิดบวกนะคิดในทางบวกคิดไปทางแก้ปัญหาคิดเปทางที่ว่าให้กำลังใจแล้วก็ให้ความหวังตัวเองได้ถ้ามีสติวิธีคิดจะดี แล้วการแก้ปัญหานั้นจะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอันนี้คื อ, คอเป็นกระบวนการที่เราสามารถแก้ปัญหาจิตใจเราได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินึกอะไรไม่ได้อันนี้อาหารจานด่วนเลยนะเพราะเกิดปัญหาปับ๊บก็รุกขึ้นเดินไปกินน้ําไปเปลี่ยนจากเอียบทตรงนั้นไปคลายที่ใหม่ไปทําในสิ่งที่เราชอบที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนใครไม่ใช่ดื่มเหล้าไม่ใช่ดูหนังฟังเพลงไปทําอย่างอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดศีลธรรมเขาเรียกเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนทันทีเลยเราก็จะแก้ปัญหาจิตนั้นได้ขณะหนึ่งช่วย น, น, นักดีิบัตยภูณเจ้าลุกไปไหนมา ไ, ไหนได้ใช่ไหมลุกไปเลยอย่างผมเนี่ยวเวลาเกิดปัญหาเกิดความเครียดผมก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ความเครียดแต่เริ่มด้วยการอาศัยความอดทนอดทนอดกัน้นพออดทนคือขันติอดทนนา น, น, านเนี่ยสติมันก็จะมาเหมือนกันอดทนแล้วจะเกิดสติ ถ้ทนไม่ได้ลุกไปทนได้อดทนไม่น่อยการอดทน เ, เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดสติมีหลายวิธีนะเริ่มจากการเปลี่ยนยาบททันทีกับการมีสติรู้ทันแล้วก็มีวิธีคิดที่จะให้กำลังใจให้ความปวังแล้วก็แก้ปัญหาได้วันทีสติมาคิดได้มไม่ต้องไปแก้ปัญหาเลยจบทีิไจเราปรุงแต่งแล้วธนาคารปรุงแต่งได้ ไม้แกค่ะคําถามต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าอาจารย์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มีคําถามติดค้างว่าแล้วที่อาจารย์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไรที่จริงสิ่งแหลรอยที่ผมอยู่เนี่ยทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งการบันานเลยนะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งการบันานเพราะว่าผมจะเล่นกีฬาขี่เล่นผมจะเล่น เคยไปนั่งดูเขาเล่นไพ่เราก็เบื่อน่ะนั่งเซ็งดูเขานั่งรวมหัวกันอยู่ได้เราก็ไม่ชอบอ่ะเราชอบขยับขยื่นเคลื่อนไหวอ่ะแล้วไปดูเขาดื่มเหล้าบางทีก็ลองดื่มนะดื่มเ็าเรียกกินสลึงมาบาทอ่ะแบบเขาเรียกขุนขยับกับพินาศมันมีขุนลินสุลาไพ่พอลินดืมตะพื้นไ อ, อผมว่าขุนขยับกับพินาศ กินแต่กักตะพืชกินตะลึงแลแ้วยตะแก้งมาบายแล้วก็ไปนอนนะเนีก็พอดื่มไปแค่แก้วเดียวมันก็เพลียตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ออกกําลังไม่ได้แล้วผมจะวิ่งทุกวันวันละห้ารอบสนามกรีทาทุกเช้าทุกเย็นวันไหนไม่ได้วิ่งเนี่ยจะนอนไม่หลับคิดว่าชีวิตเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วพอดื่มเหล้าไปแก้วเดียวเนี่ยแล้วไม่มีแรงวิ่งและเวลาสอนก็ไม่มีคุณภาพขณะ ก, กําลังสอนขณะทำหน้าที่เนี่ย เรารู้สึกมืนศีรษะแล้วอ่อนแอนั้นมาเลยไม่ชอบดื่มเหล้าแต่ชอบการเล่นกีฬาเนี่ยผมมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ปลอบปรโลมใจคือการเล่นกีฬาวันหนึ่งทําให้เราข้ามเกี่ยวกับเรื่องเหล้าบุหรี่ไปได้แล้วพออาจารย์มาพิการเนี่ยก็อดเล่นแล้วยังสูญเสียการช่วยตัวเองอีกมีข้อสงสัยต่อไปว่านอกจากนั้นอาจารย์ยังเสียอะไรอีกบ้าง เช่นว่าคนรักแล้วอาจารย์ทำอย่างไรรู้สึกโกรธเกลียดตัวเองและคนรอบข้างบ้างหรือไม่ผมยอมรับในสิ่งที่เรามีเราเป็นผมยอมรับว่าเราทำให้ตัวเองพิการเองคนที่เรารักใครก็ตามที่เรารักเลยเขารักเราเนี่ยก็ต่างว่าจะต้องมีความหวังจะต้องมีความตุ่นตระหนกพักหน้า แต่เราเหมือน uhm, คนที่ไม่ได้ไม่ได้สมหวังเพราะว่าเหมือนคนที่เราเดินไปด้วยกันเนี่ยตาไฟตางเดินด้วยกันเนี่ยเขาเดินได้แต่เราล้มลงไปช่วยไม่ได้เราเดินไม่ดีเองเราล้มเองเขาก็ไม่ได้ผักเราล้มเมื่อไรก็ต้องปล่อยชีวิตใครไปได้ก็ไปแต่เราไปไม่ได้ก็ไม่เอาไปก็อยู่สภาพเช่นนี้แหละก็เป็นการยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเนี่ยมันช่วยทาให้ใจเรามันผ่อนคลายไม่เครียด และมันก็ไม่โกรธเพราะเรายอมรับได้ถ้าอยอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะโกรธนะทำไมทากับเราอย่างนี้อย่าว่าทําไมเราเราอย่างงี้เลยถ้าขอพิการเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะ <c oughs> ต้องรู้จักเอาใจเขาเสร็จใจเราก็ไม่เป็นไรไม่โกรธไม่เกลียดต่างฝ่ายต่าก็ต้องมีทิพย์ยองตัวเองก็ทําใจได้โดยที่ไม่โกรธไม่แก้ตัวว่าเรายอมรับแล้วในสภาพทีพิการอย่างเนี้ยเราก็จะจัดการจะอยู่กับสภาพทิ พ, พิการอย่างมีความสุข ก็สายการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าใจเพราะเราได้มาดูตัวเองใช่ไหมเห็นว่าเอ้าความพิการไม่มีความพิการไม่มี ม, ม, ม, มีแต่ความไม่สะดวกถ้าเรายอมรับได้ว่าร่างกายไม่สะดวกยอมรับได้และพอใจที่จะอยู่กับมันใจก็จะไม่ทุกข์อย่างพระคุเจ้าเนี่ยถ้าคุณเจ้าเห็นว่าวัดธรรมน้ำมงคลเนี่ยไม่น่าอยู่สู้อยู่บ้านไม่ได้ ขุนเจ้าก็ไม่อยากอยู่ที่นี่จะจะกลับบ้านแต่ถ้ารูปใดบอกว่าเออที่นี่มันก็น่าอยู่นะรื่นรมเหมือนบ้านเราเลยท่านจะมีความสุขอยู่กับการอยู่ที่นี่ใจจะสุขหรือไม่สุขนั้นอยู่กับการคิดถ้าคิดเบื่อตรงนั้นจะไม่มีความสุขแม้ว่าที่นั้นเป็นสวรรค์ถ้าที่ลำบากถ้าใจยอมรับความจริงแล้วก็พอจะอยู่กับมันเนี่ยตรงนั้นะคือสวรรค์ของเรามองที่นี่เหมือนที่บ้านของเราสิ เราก็จะอยากอยู่แล้วอาจจะไม่อยากสึกก็ได้ <laughs> ตรงนี้ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เรามองข้ามจริงๆชีวิตเราทุกวันนี้ไม่ว่าตัวเราเองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือว่าสังคมประเทศเราที่เป็นอยู่ที่เขาแตกแยกกันในด้านความคิดมากมายส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ยอมรับ คนที่คิดเห็นไม่เหมือนเราหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากขุดช้าให้ไปวิจัชนากันเองนะคะถ้าเรายอมรับได้ในสิ่งที่ไม่เป็นอย่างใจเราในสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นเนี่ยคนแรกคือตัวเราจะทุกน้อยลงแล้วคนรอบตัวเราหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็น่าจะเป็นสุขมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงคะ่ะคำถามต่อไปก็คือว่าการทําความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวเนี่ยคะ่ะอาจารย์คะต่างจากการเพ่งอย่างไร แล้วถ้าไม่เพ่งเนี่ยเราจะรู้เท่าทันปัจจุบันได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ีนะคนถามต้องเป็นนักปฏิบัติค่ะอันนี้เป็นเพียงเป็นเพียงแค่ความคิดหรือวิธีการแต่อยากถามจริงว่าเมื่อร่มเริ่มต้นทำเนี่ยท่านเพ่งไหมถ้าท่านไม่เพ่งเนี่ยใจ มันก็จะไม่อยู่กันเดวยกับตัวมันต้องมีการเพ่งก่อนแต่พอเพ่งไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเครียดยพระคุณเจ้ามองแต่ผมเนี่ยมองไม่ตาไม่กระพริบเนี่ยถามที่คุณเจ้าเครียดไหมแต่ถ้าท่านไม่มองผมเนี่ยทา่านก็จะไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนพูดอะไรต้องเพ่งมาแต่พอเพ่งแล้วผลของการเพ่งเนี่ยมันคือความเครียดความทุกข์คือมีความตั้งใจมากเกินไป <Yeah. S 2> อันนั้นคือการใช้สมาธิกดทับนำหน้าสติแต่ถ้าไม่สตินั้นสติไม่ใช่เป็นการเพ่งสติเป็นการรู้รู้เฉยเฉรู้อยู่ห่างสติคือการมองว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหน้าเท่านั้นไม่ใช่เป็นอาจารย์กำพลไม่ใช่เป็นคนพิการไม่ใช่เป็นผู้ชี่ยวยิงอ๋อมีคนพูดอยู่ข้างหน้าอันนี้คือมองสติมองแบบมุมกว้าง ไม่ได้มองแบบโฟกัสสมาธิการเพ่งต้องโฟกัสและต่อไปก็ขยายว่าอ๋อถ้าโฟกัสเราเครียดก็ค่อยๆรู้เบาๆเป็นสติเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยใหม่ๆมันก็ต้องเพ่งเพื่อตั้งหลักต่อไปแล้วก็จะค่อยๆคลายโดยการผ่อนมารู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้แบบดูๆดูแบบแยกๆรู้เบาๆีะมันจะถอนจากการเพ่งมาการรู้เฉย มันจะเห็นว่าอันนั้นคือสิ่งที่ถูกรู้อันนี้คือผู้รู้ก็กลายสติกลายเป็นวิปัสสนาไปเลยคือแยกแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ใหม่ๆเป็นการเพ่งเป็นธรรมดาเพราะเราทําอะไรใจต้องจดจอ่อใช่ไหมต่อไปถ้าจดจ่อแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกมันเครียดเราค่อยๆ ค, คลายโดยการมารู้เฉยเฉยแล้วต้องอาศัยต้องไปด้วยกันพอรู้เฉยเฉยเนี่ยเราจะเห็นปัจจุบันที่แท้จริง และเห็นการเกิดดับของปัจจุบันเพราะนั้นผมไม่ไม่ปฏิเสธว่าจะต้องเพ่งก่อนต้องเพ่งก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยๆรู้เฉยๆนี่เป็นการตับบางทีเราต้องเห็นที่ผิดก่อนมันจึงต้องต้งเห็นทางถูกต้องเห็นผิดก่อนเห็นทางถูกอ๋อทางนี้ผิดอ๋อทางถูกต้องไปทางนี้การภาวนาเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองแก้ปัญหาตัวเอง ครูบาอาจารย์บ่อยแล้วก็ตามเนี่ยบางทีมันไม่ตรงอริยสิริของเราแต่เราเผชิญกับปัญหาจิตเนี่ยที่มันเป็นปกติมีสติเนี่ยมันรู้จักวิธีการแก้ปัญหาในตัวมันเองใครก็แก้ปัญหาใจเราไม่ได้นอกจากใจเราต้องแก้ปัญหาใจเราเองอันนี้เป็น ค, คำตอบไหมคงจะชัดเจนพอสมควรนะคะแล้วถ้าเกิดเราง่วงนะคะอาจารย์จะมีอุบายวิธีในการ แกง่วงในขณะฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมอย่างไรดีคะอ๋อง่วงนี่สบายเลยถ้าเรจะคิดจะแก้นะอย่างนี้นางฟังเนี่ยนั่งฟังเนี่ ย, ยขณะง่วงนะทำตาโตๆนะเดี๋ยวทำตาหลีๆทาตา โ, โตๆนะอายตนะมันจะเปิดนะเวลาปฏิบัติจึงไม่ให้หลับตาไงหนะลับตาม้อจะหลับไหน ท, ทําตาโตๆมองซ้ายมองขวามองไปรอบๆนะอย่ามองจุดเดียว ม, มองไปรอบๆ ความง่วงเกิดจากสมาธิขาดสติแล้วก็จะง่วงหลับมองไปรอบๆซ้าย ม, มีขวานี่คือการนั่งฟังนะตอนโ ต, ตแต่ถ้าทนไม่ได้ก็นิมนต์ลุกขึ้นลุกขึ้ น, นไปเดินข้างนอกไปมองซ้ายมองขวามองไกลๆมันก็จะหายง่วงถ้าไม่หายง่วงอ้าวลูบหน้าลูบตาล้างหน้าล้างตาแล้มันก็จะหายง่วงแล้วมาฟังใหม่ถ้ายังไม่ง่วงแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอแนละ้ หรือเมื่อกลางวันนี้ฉันอาหารมากไปหน่อยฉันเผื่อตอนเย็นก็เลยมีอาการง่วงก็กรรมของเราะฉันมากเผื่อตอนเย็นมันก็ต้องต่อสู้กับความง่วงลุกขึ้นเห็นไหมเวลานั่งปฏิบัติเวลาง่วงก็ลุกไปเดินจงโกงถ้าไม่หายก็ล้างหน้าตบหน้าตบตาเบาๆมองไกลๆวิธีนี้ทํำใหเราหายง่วงได้เดินเร็วๆ เ, เ, เนี่ยหายง่วงได้ อย่าไปยอบจนนอนอความง่วงดีแล้วล่ะคนไปฏิบัติเจอความง่วงมันต้องส ง, งบก่อนจึงง่วงถ้าไม่ส ง, งบเนี่ยไม่ง่วงหรอกเห็นไหมก่อนจะนอนเนี่ยถ้าเราคิดฟุ้งซ่านง่วงไหมไม่หลับไม่หลับเลยง่วงแต่ไม่หลับแต่ถ้าไม่คิดอะไรส ง, งบเนี่ยมันก็จะง่วงได้ง่าย ใชคะแล้วถ้าขับรถนะคะขับรถแล้วเกิดง่วงเนี่ยคะ่ะอาจารย์ก็ไม่เคยขับรถแต่นั่งรถแถวหน้าตลอดนะคะไหนลองแนะนำที่คะว่าถ้าขับรถแล้วง่วงเนี่ยคนขับควรจะทํำยังไงคะโอ้ยมองซ้ายมองขวานะทําตาโ ต, ต, ต, ตมาๆมองไกลๆมองไปโน้ตเลยยอดไม้สุดถนนเลยมองไกลๆแล้วส่งก็เรียกส่งอารมณ์ความว่วงออกไปข้างนอกซะมองไกลๆมา ห, หรือเราจะนั่งหายใจลึลกๆหายใจเข้าลึกๆ หยายใจออกยาวๆสองสามครั้งถ้าเราง่วงเราเป็นทุกข์เราเครียดคิดอะไรไม่ออกลองหายใจเข้าลึกๆและกลั้นไว้ทีกนิดหนึ่งแล้วก็หยายจออกยาวๆสักสองสามครั้งออกซิเจนจะเบลีงสมองปลอดโปร่งจะคิดอะไรออกจะไม่เครียดจะไม่โกรธชั่วขณะหนึ่งเห็นไหมนั่งรถก็หายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆมองไกลๆมองซ้ายมองขวาถ้าไม่ไหวก็แวะปั๊มซื้อไอติมนักแท่งดูดก็หายแล้ว แต่สำหรับตัวเองพอดีว่าขับรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็สังเกตว่าถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยมันจะง่วงง่ายก็จะใช้วิธีมองกระจกหลังทีมองกระจกข้างทีมองไปมองมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจุดที่เราโฟกัสไปเรื่อยๆเนี่ยจะแล้วก็ขยับตัวบ้างนะคะไม่นั่งท่าเดียวตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วยได้เยอะแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลงจอดรถแล้วก็เดินเล่นให้หาย ง่วงก่อนแล้วถึงจะขับต่อนะคะอ น, นี้แลกเปลี่ยนกันค่ะอาจารย์ั้นนี้ก็ใกล้สงกรานแล้วค่ะอีกไม่กี่วันไม่ทราบ ว, ว่าอาจารย์มีวิธีปฏิบัติกับคุณแม่อย่างไรในโอกาสนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตัวเองอันนี้ถามเฉพาะคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณพ่อของอาจารย์เสียไปหลายปีแล้วตอนนี้มีคุณแม่อยู่คนเดียวที่อาจารย์จะต้องดูแลเชิญค่ะวันสงกรานเนี่ยผมก็จะไปอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่กับ น, น้อง ไปอยู่ไปลดน้ําตามประเพณีเนี่ยลดน้ํำดาหัวแล้วก็มีของขวัญไปฝากวาอวยพรให้ท่านและให้ใหอวยพรกับเราคือทำอยู่ทุกปีอ่ะจะไปรวมกันแต่ปีนี้ผงไม่ได้ไปแล้วเพราะช่วงสงการพี่น้องจะต้องรักษาร่างกายหมอนัดฉีดยาอยู่เลยต้องต้องขออนุญาตญาติทางฝ่ายคุณแม่พี่ น, อน้องต่างๆที่ดูแลคุณแม่อยู่ที่กาําลังตอนนี้กลาลังป่วยอยู่บอกสงการไม่ได้ไปนะแต่ว่าจะหาโอกาสไปใหม่ตอนหลัง ก็ปกติถ้าสงการก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละกลับไปบ้านไปรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านอวยพรให้กับเราแค่นั้นอ่ะพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วก็เป็นแค่นี้แหละคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ตกค้างมาจากเรื่องเล่าเมื่อสักครู่นะคะมีข้อสงสัยว่าคนกินเหล้าเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะเจอผลกรรมอะไรเอา ตายไปแล้วนี่อย่าไปพูดถึงก่อนตายก็กรรมเยอะอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องก่อนตายดีกว่าเพราะก่อนตายถ้าจิตมันดีตายไปก็ดีนะเราอยู่อย่างไงแล้วก็ตายอย่างนั้นเราอยู่อย่างไรไปเกิดก็เป็นอย่างนั้นถ้าก่อนก่อนจะตายเมาแล้วเนี่ยมันไปสวรรค์ไม่ถูกหรอกเดี๋ยวก็ลงลงต่ําะพืชอะเห็นไหมเวลาคนเมาเนี่ยไม่เคยขึ้นสูงเลยเมาจะไรก็หัวทิ่มนั่นบมบอกทุกว่านั่นลงนรกอยู่แล้วเจาะบาดาลเพราะฉะนั้น เอาตอนก่อนตายเพราะฉะนั้นคนกินเหล้าเนี่ยก่อนตายเขาก็ไม่เรียกเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพราะคนขาดสตินี่ไม่ใช่มนุษย์ <Yeah. S 1> จะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์แบบประพฤติกรรมจะทําแล้วก็ทำเหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่นอนอาเจียนให้สุนัขเลียปากก <Yeah. S 2> ็มีเพราะฉะนั้นว่าก่อนจะตายมันก็มันก็กลายเป็นคนเดรัจฉานอยู่แล้วไม่ถือว่าตกาลกอยู่แล้วเป็นเป็นตัดเดรัจฉานคนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคือคนที่ ไม่รู้จักตัวเองเมามีความลุ่มหลงไม่รู้จักตัวเองนึกจะ ท, ทาอะไรก็ทําขาดสติเห็นไหมเนี่ยเขาทําำอะไรก็ได้นั่งคนที่มีสติแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เมาถ้าอยู่แล้วเมขาขาดสติถ้าตายตอนนั้นมันก็ไปสู่ที่เป็นสัตว์ดิลฉานอยู่เนียเอาตอนก่อนจะตายดีกว่าเราเป็นอย่างไรถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ถจะว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้ แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้ถ้าไปรอต่อตายแล้วเนี่ยไม่มีใครไปโปรดได้อย่างเงี้ยโปรดไม่ได้ล้สรุปว่าเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นนะคะครับค่ะก็อยากได้ผลอย่างไรก็สร้างเหตุเอาไว้ค่ะคาถามต่อไปคืออาจารย์จะรู้จักหรือเปล่าไม่ทราบอาจารย์รู้จักตารวจไหมคะตารวจนับแบงค์อะ ตำรวจในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างควรจะเป็นอย่างไรคะในมุมมองของอาจารย์<อ>ควร <ผม S 1> จะเป็นอย่างไรผมจะถึงกฎระเบียบวินยัยในความสุขหวนตำรวจคนที่มีกฎระเบียบวินยัยเป็นผู้ที่รักษากฎหมายหรือว่าเป็นบุคคลที่ น, น่าจะน่าจะพัฒนาจิตตัวเองที่ให้อยู่เหนือจากบุคคลธรรมดาสักหน่อย คือกลายเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ที่มีอำนาจมีทิพย์พลเพราะนั้นคนที่รักษากฎหมายมีอำนาจมีทิพย์พลเนี่ยถ้าไม่มีกฎระเบียบวินยัยเนี่ยจะกลายเป็นใช้อำนาจใช้ระเบียบวินัยละสายตาที่เป็นมีทิพพลเนี่ยในทางที่ผิดเพราะนั้นตำแหน่งตำรวจนะตำแหน่งทีงง่สูงส่งต้องประกอบด้วยกฎระเบียบวินยัยอย่างเคร่งครัด ก็จะกลายเป็นตำรวจที่แท้จริงถ้าว่าขาดตรงนี้แล้วเนี่ยตำแหน่งเราเองก็กลายเป็นที่สำหรับช่อลาดบังหลวงรีไทยนะเพราะนั้นในความสึกแต่เล็กแล้วผมเจอตำรวจผมกลัวเพราะผมอยู่เรือเนี่ยเวลาผ่านท่าเรือตรงไหนตำรวจก็ขี่หา ง, งยาวมาแล้วมาตรวจโน่นตรวจ น, นี่และพ่อก็ส่งเงินให้เพราะนั้นพ่อไม่มีเงินบุรีเาก็าเอา ผมดูแล้วไม่มีเกียบ <Yeah. S 1> อันนั้นคือเป็นภาพที่ผมเห็นตอนเด็กๆ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้เจอก็กลัวอ๊กลัวจะโดนแบบนั้นอีก <Yeah. S 1> เป็นภาพที่ไม่ดี okay. <Yeah. S 1> แต่ว่าพอมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เจอตำรวจที่มีภาพพ o s ที่ดีเยอะแยะเลย <Yeah. S 1> แต่ว่าตำรวจที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหาได้ยากมาก <Yeah. S 1> ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ย <Yeah. S 1> จะไม่มีคุณธรรมในการทาหน้าที่ ถ้าไม่มีคุณธรรมในการทำหน้าที่เนี่ยก็จะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ตํารวจเนี่ยที่มีอํานาจมีอิทธิพลและมีวาสนาสูงไปนี้แล้วเนี่ยมาสนใจเรื่องคุณธรรมให้มากๆอยู่ในกฎระเบียบวิยในเนีกก่ยจะทําให้ชื่อเสียงของตํารวจเนี่ยดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทุกอาชีพนะคะที่ควรจะมีเรื่องของธรรมะอยู่ในใจไม่ใช่เฉพาะอาชีพตํารวจอย่างเดียว พระอย่างเมื่อวานนี้ที่เราไปที่ Impact เมืองทองธานีนะคะอาจารย์ก็มีการคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสื่อว่าจะสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำสื่ออย่างไรคนทำสื่อเองเขาก็มองตัวเองว่าตราบใดที่คนทำสื่อก็ดีสปอนเซอร์ในการผลิตสื่อก็ดีหรือสถานีโทรทัศน์ที่ออกสื่อก็ตามยังไม่มีจุดยืนของการที่จะให้โลกนี้มีธรรมะ มันก็เป็นการยากที่จะทำให้สื่อที่มีคุณภาพเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนต่างก็ยอมรับว่ากลไกทั้งหลายขับเคลื่อนด้วยเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นโชคร้ายของเราที่ต้องอยู่ในวังวนตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครสามารถที่จะออกจากวังวนตรงนี้ได้ก็นับว่าช่วงดีมากนะคะอาจารย์ค่ ะ, ค, ะคำถามต่อไปค่ะ บางกรณีนะคะเราอาจจะเคยทำความผิดบางอย่างด้วยอาการขาดสติทำให้เข้าของเสียหายด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็นึกเสียใจภายหลังจะมีแนวคิดอย่างไรให้ทิ้งความเสียใจนั้นได้โดยไม่ติดค้างคาใจอีกต่อไปนะคะอ่ะื่อแบบนี้ผมเคยไปพูดให้กับผู้ต้องขังฟัง เมื่อสองสามปีก่อนนะผมเข้าเรือนจําบ่อยพูดกับผู้ต้องขังไว้ใบอย่างเขากูจ้านี่แหละผู้ต้องขังเขาทําความผิดแล้วเขาสํานึกผิดไอ้ข้อสํานึกผิดเนี่ยก็ดีแต่ว่าสิ่งที่ทําความผิดไปแล้วเนี่ยมันหลอกหลอนใจเขาจนเขานอนไม่หลับอย่างไม่มีความสุขคนที่ทําความผิดแล้วมีความทุกข์ก็เหมือนอย่างกับสร้างคุกขังใจเราไว้หมดอิสระภาพ วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราทำความผิดไปแล้วหรือเราไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่เรามาสนกผิดได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการหน่อยหนึ่งคือสิ่งที่ผิดไปแล้วก็แล้วไปเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขให้มันถูกได้มันเป็นอนดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วซึ่งยังไงมันก็แก้ไขไม่ได้เราจะต้อง แก้ตัวใหม่พิสูจน์ตัวเองโดยการทำความดีให้มากๆนะ <Yeah. S 1> เริ่มต้นจากทำความดีในปัจจุบันให้มากๆจะถึงอนาคตทำความดีให้มากไม่ใช่ลบล้างความผิดทำความดีเพื่อให้ความผิดนั้นตามติดเราไม่ทันให้ความดีเนี่ยมันแผ่ร้านจนครอบคุมความผิดนั้นความผิดก็ไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวได้เหมือนอย่างที่เรามีนะ้มีน้ำอยู่โอ่งหนึ่งในโอ่งนั้นน้า มีแค่นี้เดียวติดค้นโอ่งแต่น้ํานั้นเค็มแต่ถ้าเราจะแก้น้ํานั้นไม่ให้เค็มเราสามารถเติมน้ำเข้าไปให้เต็มโอง่งแล้วตักชิมดูจะรู้ว่า น, น้ําเนี่ยจะไม่เค็มแล้วเพราะน้ําน้ําไม่เค็มมีอยู่เยอะแต่น้ําแต่ว่าเกลือมีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่ไม่มีโอกาสแสดงตัวได้นะถ้าเราทําความดีมากๆไม่ใช่ลบล้างแต่ความไม่ดีนั้นมันตามไม่ทันนะเสร็จแล้วก็ อย่าได้ไปคิดถึงสิ่งที่เราทำมาเลยมันเป็นอนดีตไปแล้วเมื่อก่อนนั้นเราเคยทำความผิดแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำผิดอะไรมันจริงกว่ากันเราเคยกระทำความผิดเคยว่าคนนู้นว่าันนี้เคยลักขโมยเงินพ่อกันแม่แต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำานยอย่าได้ไปคิดเลยแต่ความคิดเราห้ามไม่ได้มันต้องคิดนะ่ะกรรมใดเราทำเอาไว้เป็นมโนกรรมมันก็ต้องคิดอนะ่ะ ถ้าเราไปเชื่อความคิดเราก็เป็นไปตามกรรมเราก็มีความผิดตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดเห็นความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงอ้าวความคิดไม่ใช่ความจริงความคิดมันเกิดขึ้นดับไปไม่มีตัวตนไม่น่าเชื่อถือสติเห็นความคิดทำให้เกิดปัญญาสามารถปล่อยวางความคิดได้ แมจะคิดขึ้นมาอีกอก็มีสติรู้ทันอีกและปล่อยมันผ่านไปคิดอีกก็รู้ทันอีกปล่อยมันผ่านไปทไํานี้บ่อยๆเนี่ยความคิดก็ไม่อยากจะมาหลอกหลอเราแล้วเมื่อเราเลี้ยงแมวไว้ตัวนึ่งถ้ามีหนูเข้ามาเนี่ยแมวมันค่อยจัด ก, การหนูก็มาแมวค่อยจัด ก, การถ้าหนูตรงไหนรู้ว่าบ้านนี้มีแมวมันก็จะไม่เข้ามาไปเข้าบ้านอื่นต่อเหมือนคนที่มีสติอยู่แล้วเนี่ยความคิดก็จะไม่ค่อยปรุงแต่ ง, งมากมายมันก็จะไปเข้ากับคนที่มันขาดสติะ ไปปรุงแต่งคนนั้นต่อไปนะเพราะนั้นเมื่อทำความผิดแล้วก็ให้ลืมซะอย่าไปคิดถึงนะแล้วก็ทำความดีมากๆเพื่อให้ความผิดนั้นตามไม่ทันแล้วก็ฝึกมีสติอยู่เสมอๆเพื่อรู้ทันความคิดง่ายไหมพ่อไหวนะคะ <laughs> ค่ะลาดับต่อไปเป็นเรื่องของคำสองคาค่ะอาจารย์ค่ะคำว่าดีพอกับคำว่าพอดี คนเรานี่นะคะเมื่อได้สิ่งที่ดีพอเขาก็หยุดแล้วได้สิ่งที่พอดีเขาก็หยุดอยากจะทราบว่าคำสองคำนี้ต่างกันอย่างไรแล้วทั้งสองคำนี้นะคะอยู่บนพื้นฐานของการเลือกโดยสติหรือไม่ดีพอกับพอดีคะ่ะไม่เหมือนกันะ เพราะดีพอเนี่ยมันดีนำหน้าพอถ้าพอดีพอนำหน้าดีชัดไหมคะเราอย่าไปสนใจสองคำนี้เลยมันเป็นความคิดหลอกความคิดของเราเนยซึ่งคำว่าดีพอเนี่ยคนที่บอกว่าดีพอแล้วเนี่ยต้องคนที่มีสติปัญญาสามารถมั่นใจตัวเว่าเราเนี่ยดีพอแล้วแล้วไม่จะไม่คนที่เข้าใจว่าดีพอแล้วเนี่ย จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองเดือดร้อนแก้ปัญหาตัวเองได้เนี่ยอันเนี้ยแล้วช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนี่คือดีพอแต่คําว่าพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสันโดษเราพอดีแค่ไหนล่ะเราทานข้าวอาดฉันข้าวหนึ่งจานเราอิ่มแล้วนี่คือเราพอดีแล้ แต่ถ้าหนึ่งจานไม่อิ่มเราก็ต้องทาน2จานจึงจะอิ่มเนี่ยพอดีของเราพอดีคือตัวที่มีสติรู้ทันว่าเรามีความต้องการแค่ไหนแต่คำว่าดีพอเนี่ยต้องอาศัยตัวปัญญาว่าเราพร้อมแล้วว่าเราประกาศว่าเราดีพอแล้วเพราะฉะนั <c oughs> ้นมันต่างกันเพียง น, นี้เดียวว่ามีสติกับมีปัญญากับมีสติแต่ขาดปัญญาก็มี <Yeah. S 2> เพราะนั้นเราเราอยากเอาคำสองคำเนี่ยมาพูดเลยมันจับตนได้กยำพูดและแต่ว่าใครจะตีความนะ <Yeah. S 2> ที่สำคัญก็คือใหร้รู้ทัน ว, ว่าสิ่งที่เราดีพอแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เราไม่เป็นทุกข์ได้แล้วเราพอดีแล้วกับที่เราทำเนี่ยถ้าเราไม่เป็นทุกข์ได้มันก็ใช้ได้แล้วสรุปว่าจะดีพอ <c oughs> หรือจะพอดีเนี่ยถ้าใจไม่เป็นทุกข์ก็น่าจะลงตัวแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ อาจารย์ครัที่อาจารย์ให้ฝึกสติให้จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวถ้าเผื่อว่าทําไปตามนี้เนี่ยนะคะจะเพียงพอหรือไม่แล้วถ้าปฏิบัติจนมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วจะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรคะสติเมื่อมีอยู่เพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะนําปัญญามาแก้ปัญหาแก้ปัญหาชีวิต ถือว่าเราเพียงพอแล้วใช้ได้แล้วสักวันที่ว่าไอ้ที่ฝึกสติเนี่ยก็เพื่อให้ใจเราเนี่มันตั้งมั่นใจไม่ตั้งมั่นเพราะว่าถูกความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเราต้องสร้างเขาเรียกสร้างเหตุการณ์ใหม่สร้างตัวคือตัวสติเอาไว้ตอนแรกเราสร้างสติมาเรื่อยๆเราต้องเป็นการเจตนาทำมีความเพียรมีความอดทนในการสร้างสติเพื่อให้ใจตั้งมั่นแล้วก็รู้ทันกิเลส ถ้าหากว่าเราทำจนเป็นนิสัยเป็นชีวิตโดยไม่ต้องฝึกไม่ต้องเจตนาสร้างสติสติก็เกิดขึ้นมาเองไดเ้เหมือนเราถึงเวลาเรากินข้าวถึงเวลาเราอาบน้าบางทีเราไม่ตั้งใจไปก่อนเลยเราทำเองโดยอัตโนมัติสติใหม่ๆก็ต้องเจตนาสร้างขึ้นต่อมาสร้างขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำเขาเรียกมันเป็นชีวิตมันเป็นเอง ฝึกให้เกิดความเคยชินที่จะมีสติและมันก็จะเป็นเองที่จะมีสติอยู่เรื่อยๆใหม่ๆเราไม่เคยฝึกสติเลยเราเคยชินอยู่กับการหลงลืมสติแต่เราเปลี่ยนใหม่เอาจากการหลงมาเป็นการรู้ซะมารู้ตัวซะต่อไปมันก็จะเคยชินอยู่กับการมีสติเสมอๆโดยไม่ตั้งใจก็ได้แต่ว่าเราก็จะทิ้งความเคยชินเก่าๆที่ชอบหลงลืมตัวไปได้ ทำให้จนเป็นชีวิต จ, จิตใจเถอะและจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นการทำมันเป็นเองโดยอัตโนมัตินะนั่นละ่ะถ้าหากว่าจเจ้าจบเมื่อไหร่แล้วก็ลมหายใจสุดท้ายหมายถึงว่าจะต้องละจากโลกนี้ไปค่อยจบการสร้าง ส, างสติสรุปก็คือทำไปเรื่อยๆนะคะตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือว่านอกรูปแบบโดยที่ไม่ต้องหวังผล ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะคุณเจ้าอย่ามองว่าการทํำนี่ต้องทําตลอดชีวิตเหมือนการทํางานอย่ามองการฝึกสติเหมือนการทํางานาง ก, างงการทาําทงานเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตแต่สติมันคือชีวิตต่างกันนะงานแค่ส่วนหนึ่งการใช้ชีวิตสติมันคือชีวิตต้ตองใช้ไปตลอดชีวิตเหมือนที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ ประมาณอย่างนั้นน่าจะพอได้ค่ะอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้เรื่องเรียกว่าเทาไหวรางวัลให้พระคุณเจ้าที่ที่ถามคําถามนี้มานะคะต้องต้องขอเล่านิด น, นึงค่ะท่านเขียนเป็นรูปพัดลมค่ะอาจารย์คะเป็นรูปพัดลมสองเครื่องสะดวกมองไหมคะนะคะพัดลมเครื่องแรกเนี่ยมีใบพัดที่พิการนะคะคือใบพัดไม่สมประกอบแล้วก็เปิดเปิดเบอร์สามนะคะน่าจะลมแรง แล้วก็เสียบปลั๊กที่ระบบพลังงานคือธรรมะนะคะมีคำอธิบายว่าจากรูปเนี่ยท่านสามารถให้ความสุขต่อผู้อื่นได้มากกว่าอาตมาแล้วก็เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นพัดลมที่สมประกอบนะคะก็คือตัวแทนของพระคุณเจ้านะคะเขียนไว้ว่าเป็นตำรวจเพัดลมด้วยเ บ, เบอร์หนึ่งนะคะไม่ใช่เบอร์สาแสดงว่ากำลังลมจะเบากว่าะคะ่ะ แล้วก็ตอบลักมาจากพลังงานระบบใดไม่ทราบนะคะให้อาจารย์กำพลได้เติมความในเติมข้อความในช่องว่างนะคะว่าระบบพลังงานของอัตมานั้นคือระบบอะไรน่าจะไม่ใช่ธรรมะละคะคะ่ะไม่ทราบของท่านใดคะขอโชว์ตัวนิดนึงคะ่ะจะจะมีรางวัลให้คะ่ะท่านไหนคะค่ะนามนสกานคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะที่เล่นสนุกด้วยกันนะคะคุณสุทินกับ คุณสตินอย่ตรงนี้ไหมคะขอกล่องกล่องทีเอที่ผูกโบมาถวายเพื่อคุณเจ้าให้เป็นให้เป็นของที่ระลึกสักนิดหนึ่งนะคะถือว่าเราร่วมสนุกกันแก้ง่วงแก้เบื่อแล้วกันนะคะค่ะคำถามสุดท้ายอันนี้ตั้งใจจะให้เป็นคําถามสุดท้ายเพราะท่านท่านเข้าใจเล่นค่ะเขียนเป็นพัดลมน่ารักทีเดียวค่ ะ, ะนะคะลูกเล่นเอ่ อ, อ นี่มนรับกับอาจารย์กำพลเลยดีไหมคะจะได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะคิกขุดีค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์กำพลจะตอบคำถามนะคะว่าระบบพลังงานของท่านมาจากไหนน่ารักมากค่ะค่ะนิมนค่ะเดี๋ยวยังไงค่ะรับเลยรับเลยผมถวายนะผมถวายถวายถวายนะพระคุณเจ้าค่ะช่วยอ่า ค่ะคนคพิการ เ, เรียกาายร้องเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยตอบน ะ, ะ, ะได้ไหมคะช่วยวช่วยสักนิดหนึ่งค่ะให้ความรช่างกล้องของเราสักหน่อยจะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ของชมรมเพื่อนคุณธรรมคะ่ะค่ะเราก็หวังใจนะคะว่าเราจะได้ตํารวจที่ดีสืบไปคะ่ะสาธุ ค, ะค่ะอ จะได้เป็นกำลังสำคัญให้ประเทศของเรามีอะไรดีๆขึ้นนะคะค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะสังเกตไหมคะว่าพัดลมเนี่ยพิการนะคะใบพัดสีใบแหว่งไปสองข้างนะคะอีกสองข้างยังสมประกอบอยู่แต่ว่ากําลังลมเบอร์สามเลยค่ะนะคะเพราะมีพลังงานเป็นธรรมะนะคะเป็นแหล่งพลังงานแต่ของพระคุณเจ้านี่ลมแรงแค่เบอร์หนึ่งค่ะ แต่ไม่ทราบเสียบปลั๊กจากพลังงานแหล่งใดนะคะถ้าทางอาจารย์กำพลจะต้องวิสัชนาแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเติมข้อความลงในช่องว่างน้นด้ออย่างไรนะคะคำ <laughs> ถามสุดท้ายสนุกมากนะคะนี่ถามแบบเซนเลยนะเนี่ยผมเลยอยากจะชอบมาที่วัดถ้มพัฒนามงคลเนี่ยมันสนุกอย่างนี้แหละอ่ะปริธนาพัดลม <laughs> พัดลมที่ พัดเป็นปกติและก็พัดแรงกับพัดลมที่ไม่ปกติอาจจะใบาขาดบินไปเนี่ยขขผมแวรู้สึกว่ามันก็เป็นพัดลมเหมือนกันพัดลมทำหน้าที่พัดพัดลมที่เป็นปกติมันก็พัดพัดลมที่ไม่ปกติก็พัดแต่ว่าลมที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่อาจจะไม่แรงนะ พัดลมที่พิการผมพิการนะอาจจะไม่แรงแต่มันก็พัดได้ด้วยความลําบากด้วยความลําบากคือต้องอาศัยรอบมากแล้วก็จะต้องแตกลมมากๆแต่พัดลมผมมองว่าพัดลมที่พิการเนี่ยมันพัดไปแต่ใจมันไม่ทุกข์นะ <c oughs> ด้วย <c oughs> พลังรำ <c oughs> แต่พัดลมที่พัดแรงเนี่ยแม้จะพัดเบอร์นหนึ่งรุนแรงกําลังกายดี แต่ใจอาจจะพัดไปกูไม่น่าแล้วมันวันหลังนี้ชีวิตกูพัดไปใจก็เป็นทุกข์ไปเพราะพัดด้วยกําลังแต่ไม่ได้พัดด้วยสติปัญญาที่รู้ว่าอ๋อนี่เราน่าภูมิใจเนาะเรามาทําหน้าที่พัดทําให้เขานี่เย็นชื่นใจฮพัดไปใจก็เป็นสุขมันต่างกันนะอย่างพระลมพิการเนี่ยมันพัดไปใจไม่ทุกข์ทําหน้าที่พัดไปใจไม่ทุกข์แต่พระลมแรงๆเนี่ย พัดไปใจกระทุกว่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเราทําดีไม่ได้ดีพัดแรงขนาดนี้ไม่ค่อยมีใครมาเช็ดเราเลยไม่มีใครจะมาทาความสะอาดดูแลเราหรือมาชื่นชมยินดีกับเรากลับไปมองพัดลมที่พิการมากกว่าเราเอ้อิดฉ้ารู้เข้าใจไหมคือพัดลมที่พิการพัดเหมือนกันแต่เขาไม่เป็นทุกข์แต่พัดลมจริงแรงเนี่ยก็พัดเหมือนกันพัดแรงด้วยแต่ใจยังมีทุกข์อยู่เพราะข้างในเนี่ยยังมีความยึดมั่นถึงมั่นในผล ในผลที่เราพัดออกมาเขาจะต้องเย็นเขาจะต้องชมเราชื่นชมเราแต่พัดลมอย่างเงี้ยเขาไม่ชื่นชมก็เปรียบกับผมกับพระคุณเจ้าพระเจ้าอาจจะเป็นพัดลมที่พัดแรงเพราะด้วยกำลังดีนะแต่ใจอาจจะตั้งไว้ไม่ถูกต้องเมื่อเจออารมณ์ที่ไม่ดีอาจจะเสียสูญไปเลยแต่ผมเป็นพัดลมที่พิการก็ทําหน้าที่อย่างคนพิการแต่เวลากระทบอารมณ์นั้น ก็รู้สึกเป็นปกติธรรมดาไม่เตียตูนมันต่างกันที่ใจเห็นมใบอาจจะไม่เหมือนกันแต่ใจเนี่ยอาจจะอาจจะเหนือกว่าก็ได้ขอไปค่ะสำหรับวันนี้ก็คงได้เวลาที่จะต้องยุติการบรรยายแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้ได้มาทำหน้าที่ในวันนี้ ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็ต้องขอเรียนว่าชมรมเพื่อนคุณธรรมของเรานำสื่อสร้างเส ร, ริมคุณธรรมเพื่อการแบ่งปันมาจำนวนหนึ่งเป็นทั้งหนังสือซีดีแล้วก็วีซีดีนะคะนิมนต์พระคุณเจ้าพิจารณาตามอัธยาศัยส่วนว่าเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าเราไม่ได้จำนายนะคะท่านสามารถพิจารณาไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นประโยชน์ของสื่อที่ เราผลิตขึ้นเพื่อการแบ่งปันและอยากจะให้โอกาสคนอื่นได้รับสื่อดีๆเช่นนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาบ้างก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนในการผลิตได้ตามกําลังเมื่อกี้เจ้าหน้าที่มาบอกว่าพระคุณเจ้าไม่ได้จับปัจจัยก็สามารถที่จะจดเลขประจํำตัวของท่านแล้วก็ชั้นปีแล้วก็จํานวนเงินที่ท่านเห็นควรจะร่วมสมทบทุนในการผลิตลงในแผ่นกระดาษไว้ให้ เป็นหลักฐานสักนิดหนึ่งแล้วน้องเขาจะจัดปัจจัยสมทบในการผลิตให้กับทางชมรมอีกทีนะคะก็นิมนต์ท่านได้พิจารณาตามอัธยาศัยค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้ค่ะ น, นวัสการค่ะ